อัลลอ ل ์อัลล ا ل ์ผู้ ن ا ل เจ้าชี ل ผู้ทรงร่ำ ل ว ا ل ัล م อฮ ل ผู้ทรงอัลลอฮ์ผู้ทรงอัล و ا ل ์ ل ا ้ทรงอ ل ลลอฮ์ผู้ท ا งอัลลอฮ์ผู้ทรง ו م, م و ل ا ن ا محمد وعلى آله وأصحابه وذريةه ومندعى بدعوته بأحسن إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير ا ل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانكلا إن ملنا إلّا معلمتنا إنك أنت الألِيم الحكيم اللهم فكّنا في الدين وعلّمنا التأويل رب الشهلي صلّي وصلي أمري وحلا نقطة من لساني يفقّق قولي السلام عليكم a ر ح م ة الله وبركاته ทำดีเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งที่เราจะมาไครควรอายัดขอลอสวาฮาตาลาเพื่อเก็บบทเรียนทั้งในส่วนที่เป็นความรู้ ต้องในส่วนที่เราจะได้ซึมซับเอาสิ่งที่จะมาปรับใช้ในชีวิตเพิ่มพูนความศรัทธาเพิ่มพูนความผูกพันของเราร ah ala, ลาก loss มหาศาลในอายะ ah ที่เรากําลังอ่านต่อไปนี้จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของท่านศาสดาสุลต่าน เห็นบททดสอ a ที่ทารุสุะสิสสลาากับมันแล้วก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยความช่วยเหลือจากอัลลอสุบฮฮตลาอยะฮ์อนกรานอายะห์นึ่งหรือแม้แต่คำที่ปรากฏอยู่ในอายะ์ของอัลลอุบฮฮตลาในขณะที่ความรู้ของเรามีเพียงน้อยนิด ยังทำให้เราได้เข้าใจมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านคำอธิบายของนักวิชาการผ่านเวลาที่เราอยู่กับอัลกุราอานได้เคยควรวญได้ทบทวนผ่านการที่เราได้เอาสิ่งที่อัลลอสุลฮะตาลาได้บอกในอัลกุรอานมาเป็นกระจกส่องดูหรือเป็นแสงสว่างที่จะส่องดูชีวิต ของเราสังคมของเราเราก็จะเห็นอะไรต่างๆอีกมากมายสุบฮานุลลอฮอันกราช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินยิ่งอ่านยิ่งทำความเข้าใจยิ่งศึกษาคำอธิบายต่างๆที่นักวิชาการได้ให้ไว้นะครับนักวิชาการก็ไม่ได้มีคนเดียวนักวิชาการในโลกมุสลิมสุบฮานุลลอฮฺอัลลอสุลฮะตลา ทำให้มีเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ใช่มีในยุคเดียวด้วยนะครับตั้งแต่ยุคต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีนักวิชาการที่พยายามที่จะอธิบายอันกรานให้เราได้เข้าใจในแง่มุมต่ตางๆมากมายอาจารย์อยากจะเห็นพวกเราสนุกมีความสุขกับการศึกษากับการเรียนกับการค้นคว้านะครับดื่มดํา กับวิชาความรู้นะครับเห็นความรู้เป็นสิ่งที่มีค่านะครับเนือสิ่งอื่นใดดังที่ท่านคาลิสาอาลีบลินอบดุลาลิม r a d i y a l l าวว่าความรู้นั้นยะคริสุกะความรู้ก็คือจะบกป้องเรา นะครับแต่ถ้าเป็นมลนะลบุดอันตะฤทสูท่านจะต้องรักษามันความรู้จะรักษาเราแต่ทรัพย์สินเนี่ยเราต้องรักษาทรัพย์สินเวลาเราใช้ความรู้เป็นไงครับความรู้หมดไหม เวลาเราใช้ความรู้ในความรู้หมดไหมอาจารย์สอนพวกเราเนี่ยความรู้อาจารย์หายไปไหมไม่หายแต่มันตรงกันข้ามคือเพิม่มทำไมถึงเพิ่มครับสมองเราทำงานตลอดเวลาแล้วก่อนที่อาจารย์จะมาสอนมามาม า, มาพูดกับพวกเราเนี่ยอาจารย์ต้องไปต้องต้องไปอ่านต้องไปศึกษา นะครับยกเว้นคนที่มีความรู้ที่เราสอนอัตลักษณ์ให้ความจํำของเขาให้อะไรกับเขาจนเราเห็นเยอะแยะมาแต่กันนั้นเขาก็ต้องเตรียมตัวความรู้เพิ่มเวลาเราสอนไปด้วยคิดไปด้วยอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันมาสมองว่าถูกใช้เนี่ยมันยิ่งเพิ่มมันยิ่งเพิ่มสมองที่ไม่ใช้มันก็จะยิ่งยิ่งยิ่งฟอยิ่งฟอยิ่งฟอนะครับ จนกระทั่งกลายเป็นคนโง่แค่การพูดเนี่ยครับถ้าไม่พูดเนี่ยหยุดไม่พูดสักสักปีสองปีนี่จะพูดไม่ออกเชื่อมั้ยแล้ะจะเป็นคนใบ้ไปเลยก็ได้ลิ้นก็จะแข็งเหมือนอ่านกรานเราไม่เคยอ่านแล้วเรามาอ่านเนี่ยไปเรียนพอนา๊ะมาคนบ้านเราบอกว่เรียนเคยเรียนพอนอ๊ะเป็นสิบสิบปีแต่ว่าในช่วงที่เขาจบออกมาแล้วก็อใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาสามัญ ทำมาหากินอะไรต่าง ๆ, ๆแล้วก็ทิ้งอันกรานไปมาอา่านอีกที่นี่นะครับรู้ตัวชีวิตแต่ว่าลิ้นไม่ไปแล้วลิ้นไม่ให้แล้วหรือภาษาที่เราไม่ได้ใช้น่่เช่นภาษาอังกฤษเวลาเราอานะครับคำเรารู้ว่าแปลว่าอะไรแต่เวลาอา่านออกเสียงเนี่ยด้วยความที่เราไม่ใช้เนี่ยออกเสียงไม่ถูกออกเสียงไม่ถูกเช่นเดียวกันกับภาษาอังกด้วยความที่เราไม่เคยใช้เนี่ยจะพูดพูดพู ด, พดผิด ในการใช้ภาษาบางทีก็ไม่ใช่ว่าเราเราคิดว่าเราเราเราพูดแล้วก็เราพูดได้เรารู้คาแล้วเราพูดได้ภาษามีทั้งที่ว่าเราแต่งประโยคได้เองแต่ที่สุดแล้วภาษาต้องใช้ซีมาอีสีมาอีา i. เป็นไงครับอันนี้อาจารย์อาจารย์ให้ความรู้นอกกับพวกเราซีมาอี i. หมายความว่าเขาพูดกันอย่างไร เช่นไม่ได้หมายความว่าเราจะพูดกับพูดคนพูดคนอาดับก็พูดแต่ถ้าเราไม่คุ้นเคยกับคนอาดับในก็พูดกันในก็ทักทายกันยังไงแล้วจะเอาคํามทักทายของเราไปทักทายคนอาดับอาดับก็จะแปลกใจว่าทําไมก็ถามเรื่องนี้เช่นอาจารย์เคยถูกทักท้วงอาจารย์ถามว่าถามคนอาดับพอเจอกันมาตาวาสอน มาตาจิกเถอะแต่ว่าอะไรมาถึงเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่จะกลับเมื่อไหร่อะไรทําองเนี่ยคนอาลัก็ไม่เริ่มต้นการพูดอย่างนี้ก็าตักท้ายหรอไก่ปะข้าลโก้ไก่ปะข้าลูกุมไก่ปะข้าลู ก, กล า, กกะากอะไรต่างๆก็าถามกันไปมากมายจะจําเป็นต้องถามเขาคิดว่าคําถามทางคําถามไม่จําเป็นไงมากี่คนอะไรมันซอกแทกมันจุกจิกอะ่ะ แต่คนถามว่าคนไทยคนไทยใช้มันสีมาอีสีมาอีหมายถึงว่ากัได้ยินได้ฟังอะไรอไรก็ใช้ภาษากันอย่างไรใช้ไม่ถูกครับอย่าคิดว่าอย่าคิดนะครับเรามีความรู้เนี่ยเราเขียความรู้เราอ่านหนังสืออะไรเยอะแยะมากมายแล้วเราจะคิดว่าโอ้เราเก่งแล้วไม่ไม่ครับความรู้อย่างหนึ่งที่อาจารย์จะบอกว่า ยิ่งเธอรู้มากเท่าไหร่เธอยิ่งต้องตวาวะมากเท่านั้นสิบัของคนรู้นะครับสิบัตของคนรู้ยิ่งรู้มากเท่าไรยิ่งต้องนอบน้อมถ่อมตนมากเท่านั้นอาจารย์เคยยกตัวอย่างว่าข้าวรวงข้าวถ้ามันมีเนื้อในเต็มมีข้าวสารอยู่ข้างในนะ่ะ เนื้อข้าวเต็มนะรวงข้าวนะครับที่ก็บอกว่าใครนับว่าได้ได้ร้อยร้อยมเมล็ดอ่ะที่ไในอันกรานบอกว่าซุ่มบูละนะครับอีกคุลซุ่มบอลเตินเมียอาตะอัเมียตาัวับบะนะครับมีร้อยมเมล็ดพอร้อยเมล็ดปั๊บนะครับถ้ามันเต็มเนี่ยมันยังไงรวงข้าวเป็นยังไงนึกไม่ออกไม่เคยเห็นอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นไม่ใคร ท, า, ทานาบ้างรวงข้าวจะโน้มใช่ไหม มันจะโน้มลงมานะบางบา ง, บางอะไรครับบางก็ก็หักเลยด้วยความที่ว่ามันมันมันมันสมบูรณ์มากอะข้าวเต็มทุกเม็ดเลยหักลงมาเลยโน้มแต่ถ้ารวงไหนเนี่ยในเม็ดในเปลือกข้าวเนี่ยรีบหรือไม่มีเนื้ออยู่ข้างในเป็นไงครับชูตรงๆเลย เพราะมันเบาพ็เบาก็ชูตรงนี่คืออุ ป, ปมาอุปไม้ตัวอย่างข้อเปรียบเทียบระหว่างคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้คนมีความรู้เขามีอยู่ข้างในเขาเลยนอบน้อมต่ำตนคนไม่มีความรู้ก็เชิดหน้าชูตาเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆ น, นะครับนะ เช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆถ้าเรามีอะไรอยู่ข้างในไม่จำเป็นต้องไปอดอดโอ้ อ, อ, อดกับไขรนอบน้อมถ่อมตนนะครับนอบน้อมถ่อมตนเนพราะเราศึกษาแล้วอลอตลพะองค์สวาสนาได้ให้อะไรไว้มากมายในอนันกรานอาจารย์คิดว่าถ้าเรียนอนันกรานในทุกแม่ทุกมุมเนี่ยเราจะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ฉลาดอักรานเียได้ที่ไหน เรียนได้ในมันสยิดเรียนได้ที่บ้านเรียนได้นะครับนะครับใครที่มีความรู้เราไปหาคนอาจารย์แนอีกวิธีหนึ่งวิธีการเรียนที่ดีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าในโรงเรียนเราสมมุติในโรงเรียนเราเนี่ยเราหาที่คนอาจารย์ครูที่ว่าเขาเก่งเรื่องอะไร ตาตบลูละท่านเรียนตะจวิตบอกว่าไม่เกินท่านอยู่กับตะจวิตสอนตะจวิตอะไรต่างๆเอออยากจะเรียนตะจวิทย์พระขุรานไปหาะอาจาร์ตเลยไปเรียนเฉพาะ <c oughs> นักวิชาการใหญ่อุลามะใหญ่ๆ ใ, ใ, ในอดีตเรียนด้วยวิธีนี้นครับเขาเรียกว่าไปหาเชฟนะครับ ไปเข้านะไปเข้าครูไปไปหาครูนะครับรรรเรื่องภาษาอังกฤษเอาตเชอร์ของเรานี่ไปเรียนภาษาอังกฤษกับติเชอร์นะครับการคำนวณเลขอาจารย์คนไหนเก่งไปหาอาจารย์คนนั้นไปประกบอาจารย์คนนั้นด้วยวิธีการเช่นนี้เราจะทำให้เราได้รับความรู้เยอะแยะมากมายแต่เรารอนั่งรอรอเสียงระฆังถ้าสมัยแต่ก่อนกงกังเข้าห้องเรียนรอเสียงระฆังรอเสียง สัญญาณจะเข้าห้องเรียนเข้าห้องเรียนก็ถามว่าคนในห้องเรียนหนึ่งเนี่ยสามสิบคนครูคนเดียวเนี่ยเขาจะสอนอะไรให้กับเรามากมายบางทีเราก็ไม่มีเวลาที่จะสนใจมันเวลานอกเนี่ยครับอยากให้พวกเราได้ฉกเวยโอกาสตรงนี้อยากให้พวกเราได้ฉกเวยโอกาสตรงนี้แล้วโรงเราเป็นโรงเรียนประจําถ้าไม่ใช้ตรงนี้เราก็จะจะจะเหมือนกับโรงเรียนทั่วๆไปใช้โอกาสอาจารย์อยู่ในโรงเรียน มันจะมาเรียนตั้ซิดกับอาจารย์นั่งภาษาหรับครูโตวุสเวลาว่างช่วงไหนเดินถามก็ได้คุยกันไปถามกันไปเรื่องนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงอ๋อสุบภานโลออาจารย์ก็เห็นนะครับเพื่อนเพื่อนักศึกษานักเรียนที่เคยเรียนที่สมาอยู่อินเดียวิ่งตามครูครับวิ่งตามไม่ใช่ตามหลังนะเดินให้ทางครูครูเดินเร็วนะครับครูบางท่านนี่เดินเร็วเดินเร็วก็วิ่งเคียงข้างไปไปถามอะไรครับ ติดปัญหาไปอ่านหนังสือแล้วมันีปัญหาถามไปครูก็ตอบแต่ครูรู้จริงนะครับแต่ครูรู้จริงเดี๋ยวบางทีเรารู้ไม่จริงอย่าคิดว่าครูรู้ทุกเรื่องนะครับเมื่อวานมีเพื่อนเรามาถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะบอกประวัติของต้นค่ะบินุใบดินละอาจารย์จําไม่ได้จำไม่ได้รู้ว่านี่ชื่อซาฮบะคนหนึ่งนึกภาพแล้วจะโมเมว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โมเมไม่ได้ความรู้ นะครับความรู้อีกอย่างหนึ่งเวลาเราจะสอนใครเราจะบอกใครนะครับเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากอับบบในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่อับบ บ, บความแม่นยําอย่าโมเม้นะลูกๆนะนักเรียนนะเราคิดว่าเราเราจับใหม่แล้วเราจะบรรยายแล้วระวังความรู้มีหลักมีเกณฑ์ ความรู้โมเมีไม่ได้เธอจะพูดเรื่องอะไรก็ตามแต่โมเมีไม่ได้เธอต้องมีข้อมูลต้องรู้ว่ามันถูกไหมถ้าจะพูดเรื่องประวัติศาสตร์เธอต้องแม่นว่าพศนั้นคนคนนั้นชื่อคนนั้นรู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกว่าจะใช่ความรู้สึกว่าอย่างนั้นรู้สึกว่าอย่างนี้ไม่ได้จะขึ้นคุตตะวาได้ก็เช่นเดียวกันต้องแม่นยำได้ยินได้ฟังมาแล้วก็จะว่าตามเขาเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ตรวจสอบเอ๊ะมันยังไงนะ เดี๋ยวนี้หาง่ายครับหาง่าเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ต่อหน้าเราไม่ยเช็ดได้หมดเลยนี่ไปเนื้อหลอกเรื่องไหนเพราะว่าเราเรียนทุกเรื่องนะต้องเรียนทุกเรื่องไม่ใช่เรียนเีด้านเดียวเหล่านี้เป็นต้นอาจารย์เห็นหลายคนเวลาเวลาจับไม้แล้วก็เด็ดเพูดกูพูดได้กูก็พูดไปแต่คนที่รู้ที่คนนั่งอยู่เนี่ยครับมางที่เขาไม่ได้เปิดเผยตัวก็รู้ว่าเราผิดก็รู้ว่าเราพูดผิด แต่ควมมีวิธีแค่พอพูดเสร็จก็อคุลุกอไลฮะดาวัลสักฟิรุลลอฮฺลิบัลละกุมเรื่องแรกเรื่องแรตัอันแรนาลาตัวทีนะแเราลืมถ้าเราหลงพลาดขออัลลอฮฺมาตลาจะได้เอาผิดี่เป็นการนอบน้อมที่ขอไผ่โทษต่ออัลลอฮฺมาตลาดอคุลุกอไลฮะดวัลสักฟิรุลลอฮัลเเห็นไหมครับปิดท้ายเวลานั่งพูยกันซุบฮานะกัลลอฮุมะวิบฮัมดิก อัลชาดุลลอฮะชาดุลลอฮอิลัย uh ข์นะอัสต mm. ักฟิรุกวะอัตุวิละเห็นไหมทุกๆมันยิ้มทุ้ทุกการนั่งพูดคุยกันก่อนจะลุกขึ้นต้องอ่านดวงอานี้ทำไมเพื่อว่ามันจะมีข้อผิดพลาดข้อบกพร่องแต่พลาดพิงคนโน้นพลาดพิงคนนี้อะไรต่างๆขอไปโทษอัลลอ์ซก่อนที่จะลุกขึ้นขอไปโทษอัลลอฮ์ซแต่ละคนเอาละครับะพอสมควรครับอาจจะเกี่ยวข้องกับสถไม่เกี่ยวข้องนะครับอาจารย์ก็ อยากจะบอกพวกเราเพราะฉะนั้นนักเรียนโรงเรียนวิทยาคารเวลา ไ, ไ, ไปพูดอะไรต้องแม่นยำำําครับถ้าไม่รู้อย่าโมแม่ชื่อคนก็เหมือนกันต้องแม่นยําเรื่องอะไรก็ตามๆถ้าเราจะพูดเรื่องวิทยาศาสตร์ก็เพราจะมีข้อมูลบ้างเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดหลายเรื่องเราก็ต้องมีข้อมูลหลายเรื่องก็ต้องหาข้อมูลชื่อบุคคลก็ดีอะไรก็ดีแม้แต่จะเอ่ยชื่อบุคคลเราต้องจําชื่อเขาให้แม่นว่าเขาชื่ออะไรจะกล่าวถึง เวลาจะขึ้นไปบนเวทีจะกล่าวตอนรับใครต้องขอชื่อขอตำแหน่งอะไรเข้าไปอย่าให้ผิดพลาดอย่าให้ตกหล่นเหล่านี้เป็นต้นครับอนะ่เรื่องของความวุ่นวบความแม่นยําถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากในเชิงวิชาการอิสลามนะครับเพราะนั้นบางทีเราก็เวลาไม่ได้เตรียมตัวก็ผิดพลาดเยอะนะครับและภาษาหลับก็ผิดพลาดง่ายเรื่องการอ่านออกเสียงคําชื่อของคนเนี่ยสระก็ผิดบางทีอ่านผิดอาจารย์ก็ อาจารย์เองก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับผิดพลาดในการอ่สระหรือแม้แต่อายาอ่นอัลกุรอานบางทีที่ถ้าเราไม่จําบางทีเราก็อ่านผิดนะครับเราก็อ่านผิดเหมือนกันนั้นเราดีเวลานี้ห ล, ล, ลายครูต่อวูดนั่งอยู่ใกล้หรือใครต่อใครที่จําอัลกุรอานก็อย่าได้หันไปถามเขานะครับถ้าเรามีคนรู้เยอะๆก็ข้ามดูเรื่องละข้ามดูเรื่องละครับกลับไม่อย่างไรอัลกุรอาน สุรหัลฟุรคอนอายะที่เจในวันนี้ที่เรา เ, ออเมื่อวานนี้เราได้ทราบถึงข้อกังขานะครับข้อกังขาหรือประเด็นที่ถูกตั้งขึ้นมานะครับสองประเด็นแรกมุ่งเป้าไปที่อันกรุรอานนะครับที่เราได้อธิบายไปแล้วในอายะที่ นะครับที่สี่และในอายะที่5นะครับอายะที่สข้อนะครับข้อข้ อ, ข อ, ขอรหาข้อสงสัยประเด็นที่จะทำให้เกิดนะครับความไขว้เขวกับอัลกุรอานตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะลดความน่าเชื่อถือของอัลกุรอานที่พวกมุชริก นะครับพวกวิจิตผู้ปฏิเสธในสมัยของทารสูลอสลลัลลอฮฺกูอานีอัลลัมได้ตั้งขึ้นนะครับแล้วรอสวะฮัตลาได้ตอบนะครับตอบสองข้อนั้นด้วยอายะเดียวคืออายะที่6นะครับที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้ววันนี้เป้าพวกมาที่ท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮฺอัสลัมทียฉัซี้ติออลลฮสัลลัลลอฮานีัลลัมแต่ที่จะจะไปจะพูดนะครับจะไปตั้งข้อตังขาข้อสงสัย ที่อันกรรณาในอันกรรณานี้มาตั้งเป้าท่านเล่นอันกรรณาไม่ได้รัศมีอัตลาต่อไปแล้วมาเล่นมุฮัมมัดนี่สองเรื่องสองเรื่องเวลาจะทําลายใครเนี่ยนะครับทําลายตัวเขาหรือว่าไปทําลายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยครับวิธีการไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ได้ต่างกันอะไรกันเลยกับยุคก่อนกับยุคนี้ เวลาเราคนหนึ่งจะทําลายคนคนหนึ่งหรือก็ไปทํางานถ้าจะไปทําลายอาการงานนี้ไม่ได้เรื่องอันนั้นไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องแต่พอเขาพิสูจน์ขึ้นมาว่าสิ่งที่เขาทำนั้นดีหมดเลยไทยอย่างนั้นไอ้นี่เป็นคนไม่ได้เรื่องต้องเชียรต้องเล่นงานคนคนนะก็ฟาดเมื่อสีกินก็เหมือนกันฉลาดนะครับแต่ฉลาดจะทํำลายเพื่อนก็คือพุ่งเป้ามาที่ต้นนบีม a ม o m a สัลลัลลอฮุอะลัยซ์สลามพุ่งเป้ายังไงคิดว่าอันนี้เอาอยู่คิดว่าจะเอาอยู่ กาวอวดุลลาห์ให้ไม่ใยตนอนย وقال ุมาลี่ฮะดะรสูลีกุลตุอาอประเด็นแรกคำพูดทอยคำที่แฝงไว้ด้วยคำเยอะเยยถาางดูถูกภาษาเราดูประโยคมันเรียนธรรมดาแต่ภาษามีเซนนะครับ อันกรุณามีเซนพูดเป็นประโยคธรรมดาเป็นคาถามแต่คาถามที่แฝงไปด้วยอิสติอิสติซะคือเยอะเยอะเยอะใช่ไหพวกเขากล่าวว่าอะไรรอซูลคนนี้มาลยฮะทนอะไรกับรอซูลคนนี้มาลยฮะทนรอซูลคือมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิลามยกุลุต์อาม กินอาหารเราซูนกินอาหาราศาสนาพูดกินอาหารโอ้ oh, มนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่มนุษย์ที่เป็นทูตของพระเจ้าเนี่ยกินอาหารเหมือนกับพวกเรากินข้าวเหมือนกับพวกเราหรือหนึ่งในความเป็นความเป็นมนุษย์เนี่ยคือคือแฝงไปด้วยว่าถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญคนว่ากินข้าวผมก็กินข้าวเหมือนกเวลาเราเวลาเราจะ เราจะใครจะมาเบ่งกับเราเนี่ยแล้วเราไม่กลัวเนี่ยเราพูดว่าไงครับก็มึงก็กินข้าวกูก็กินข้าวมึงก็หายใจเหมือนกับกูนั่นแหละนะมีสองเท้าเหมือนกับกูนั่นแหละนี่สองมือเหมือนกับกูนั่นแหละนี่แสดงว่าคือันนะี้สิ่งนี้เขายกขึ้นมาเพื่อที่จะ ลดฐานะของท่านนบีมูฮัมหมัดสลลฮและว่าคิดว่าฐานะบางฐานะเนี่ยมันไม่ไม่ไม่เหมาะสมทึงราจะได้ทราบต่อไปการกินอาหารคือไม่ควรที่จะเป็นมนุษย์ธรรมดาไงที่กินอาหารอยากุู้ลุคามอววัยมชีบินอสวากแล้วเดินอยู่ตามตลาดเนี่ยตะสวุกเดินชอปปิง้งทำมาค้าขายทักทายกับผู้คนในตลาดเนี่ย โอ้ผู้ยิ่งใหญ่เขาไม่ทํากันนะถามว่าวคนที่ ม, มาจากไหนเนี่ยอ๋อไปไปโดนปุ่มสีดำ <c oughs> ตงลงว่าคนสําคัญสําคัญเขาไปเดินเล่นผ่านอยู่ยตามตลาดไหมฮะ <c oughs> ถามว่าผู้ว่าไปตลาดอีกครั้งเป็นไรนะพูดถึงผู้ว่านะสมมติเราเป็นผู้ว่าผู้ว่าจังหวัดไหนก็ได้ใหญ่กว่าผู้ว่ามาตลาดวันละกี่ครั้งยิ่งตลาดสดยิ่งตลาดนั้นเนี่ยไปบ้างหรือเปล่าไม่ไปครับถ้าไปก็หมายความว่าไปเป็นมีคนมีคนตามมีรถรถอะไรจะลมบกวาววาววาววมาแล้ว นี่คนไม่ธรรมดาเที่าเดินอยู่ตามตลาดนี่มันคนคนธรรมดาคนจ่ายตลาดคนไปตลาดนัดเนี่ยมันคนคนชั้นเรียกว่ามันธรรมดาเกินไปไงจะเป็นระซูนได้ไงอหล ะ, ละนี่มันมีนัยยะของมันแล้วมันเป็นจริงอย่างนั้นยิ่งใหญ่ีตําแหน่งใหญ่เขาไม่เข้าตลาดนะครับ เขาไปที่ไหนเนี่ยคนส ำ, สำคัญสำคัญแขกบ้านแขกเมืองนะประธานาธิบดีมาแต่ละทีเนี่ยเคลียพื้นที่เ <c oughs> วลาจะเดินลงจากเครื่องบินเดินไปตรงไหนเนี่ยเขาทไงปูพรมแล้โมในมโหสถเดินอยู่ตามตลาล้วอิละเพราะถ้นจะให้มาเป็นรัศูลได้ยังไง นะท่านจะให้ไอนสุดได้ยังไงก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่าแกนนำของโคเรชเนตจัดพบปากับท่านนบเีรเจรจาขอร้องว่าอย่าทำอย่าทำการดะว่าเลยอย่าเผยแพร่อิสลามยึดเงืนไขสองอย่างถ้าต้องการริยาซะริยาซะแปลว่าไง ต้องการที่จะเป็นผู้นําเนี่ยเราจะตั้งให้เลยมุฮัมมัดจะต้องการที่จะเป็นผู้นําเนี่ยโอเคยอมรับยอมรับไหนว่าคนนี้เป็นผู้นําได้ยอมรับตั้งแต่นบีนบี calculus, เด็กๆแล้วคนที่เป็นคนที่จะเป็นผู้นําได้เนี่ยคนสื่อสัตา์เป็น อ, อันอาบินเป็นผู้นําได้มุฮัมมัดขอร้องอย่างหนึ่งว่าอย่าอย่าเผยแพร่อย่าเอาศาสนาใหม่มาถ้าจะเป็นผู้ น, นํานะพวกเราจะตั้งให้เลย ดูเหมือนว่าจะเป็นออตบะมินรอเบียแล้วก็คนอื่นๆซึ่งเป็นเป็นเป็นแกนนำของกูเรชเนี่ยเจเดจากับท่านนาบับเบมาหัมมัดสะลาลลัยเลยะรับข้อสองยื่นข้อเสนอถ้าต้องการอำวาจต้องการม้าลต้องการทรัพย์สินเราจัดให้จัดเต็มไปเลยนบีไม่หออ เจรจาจ้กระทว่าต้องขอร้องให้อับูตาลิบช่วยพูดกับอบูตาลิบซึ่งเป็นลุงของท่านนบีสลลัลลอฮะิสัลลัมเป็นลุงทางใตเราเรียกว่าวะว่ก็จะขอร้องมหามัสสัลลัลลอฮอลหน่อย่า่าเยแพท่านนบีสัลลัลลอฮฺอีลาห์พูดกับลุงว่าไงครับ ถ้าหากพวกเขาเอาอาช ams หรือัชาช a m ฟียามีนีหรือพวกเขาจะเอาดวงอาทิตย์มาไว้บนมือขวาของฉันแล้วก็เอาอัลกมร์มาไว้บนมือซ้ายของฉันฉันก็จะไม่ละทิงการทำหน้าที่นี้ ใชไหมครับจุดยืนผู้ที่เป็นผู้นำเนี่ยอะไรที่มันเป็นหน้าที่อะไรที่จะต้องทำมันต่อรองกันไม่ได้ต้องทำหน้าที่สุภานัลล่ลแหลเนี่ยครับพอหมดลูกไม้แล้วเลยออกลูกไม้นี้ไงมาลิียฮาดรอซูเลียฮาดรอซูนี่ยะกุลุตตะภาษาตะบันดาแต่แฝงไปด้วย การดูถูกเล่นลดเกียรติท ah ่านนบีมุฮัมมัดสลโลลยการดูถูกเหยียดหยามท่านนบีสโลโลด์เลยแม้ทุกวันนี้ซึ่งผ่านไปไม่นานเนี่ยครับการ์ตูนอะไรจำได้ไหมในประเประเทศฝรั่งเศสน่เกิดเกิดการยิงถล่มปรกกระแสเรื่องนั้นการการก่อการร้ายอะไรขึ้นมาอีกนะครับให้เกรงให้กลัวอิสลาม ชาลีชาลีะไรอเอฟโดเอฟโดอะไรว่าไปเห็นป nah, ัตุนลอเรียนท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิัลัมก็นั้นนั้นมีภาพวยร์รอเรียนท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิัลัมรอเรียนลอเียนอนี้ก็เรียกว่าเยอะเยะยยาคุลปาอมวายัมชีฟินอสวกเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งก็คือ บชชารีอัตุรรษูลมีสองอย่างอุลูฮียะความเป็นพระเจ้ากับบชชารีะความเป็นมนุษนย์ในตัวของท่านนบีมูฮัมมัดสลลลวะอะเลาะลัมนี่ไม่มีอุลูฮียะอยู่ไ ม, ม่มีอะไรไม่มีความเป็นพระเจ้าเชน่นรู้ในเรื่องเร้นลับสามารถหยาดเสก ชีน้นกให้อะไรนะชี้อะไรนะภาษาไทยชีน้นกใหเป็นนกหรอชี้ไม้เป็นไม้อะไรเนี่ยความจริงก็ชีน้นกก็จะเป็นอะไ ร, รแต่ว่าภาษาที่เขาพูดกันชีน้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ก็ว่าสีสิงใดไปจะบอกให้เป็นนกมันก็เป็นนกสีสิงใดบอกให้เป็นไม้มันก็เป็นไม้ก็คือว่ามีอำนาจพิเศ ษ, ษ, ษมีญาณพิเศษล่วงรู้ถึงเหตุการณ์อะไรต่างๆล่วงหน้าด้วยตนเอง ไม่มีในตัวมุฮัมมัดสุลต่านอะเลสฺลัมไม่สามารถทําให้คนเป็นคนคนตายฟื้นไม่สามารถทําให้คนนะคนหนึ่งบอกว่าจงเจ็บแล้วตัวมันก็เจ็บไม่ใช่อันนี้ไม่มีไม่มีอย่าเข้าใจผิดแล้วมนุษย์ธรรมดาสามันจะแสวงหาความเป็นพระเจ้าเช่นรู้ในเรื่องลับใครไดเรื่องลับอ่ะของหายต้องไปหาคนนั้นไปหาตัวนั้นไปหาตัวแก่นั้น เองไปหาหมอคนนั้นหมออะไรก็เรียกหมอหมอดูไม่ได้ดูนั่งจิตอยู่ที่บ้านฮะมุกมิบมุกมิบเป่าโน่นเป่า น, ον, านี่อะไรต่างๆนะแล้วก็ บ, บอกหายไปทางทิศนั้นรถของท่านเนี่ยหายไปทิศนั้นไปอะไรต่างๆนั่งหลับตาด้วยซ้ำไปอันนี้นะครับเอาความเอาอะไรครับเอาความเป็นพระเจ้ามาอยู่ในตัวเอง เพราะรู้อเรียนรับพอเป็นพระเจ้าอยู่ตัวเองใครเชื่อพวกนี้แล้วไปยืนยันว่านี่ไปนิยมจงเจ้าพวกนี้ชีริกเราของนี้มุฮัมมัดก็ไม่มี <c oughs> อุะอลูฮีย์ความเป็นพระเจ้ามีอยู่ที่อัลลอฮ์สุลฮะตะลาเ พ, พียงผู้เดียวบัชเรียมีอยู่ทุกคนในตัวของมุฮัมมัดสลลฺละวะอะลัยอิสลามด้วยและที่มุฮัมมัดลลละอิลมพิเศษก็คือ ที่พิเศษก็คือนูบวะความเป็นนบีความเป็นนบีมาจากไหนความเป็นนบีมาจากว่ายูขออัลลอฮ์ทรงฮะตะละมาอานะอิลลับะชารุมมิสลุคุมยูฮาอิเลียเนี่ยฉันไม่ใช่คนพิเศษพิโสอะไรไม่ใช่คนพิเศษพิโสอะไรฉันไม่ใช่เป็นมนุษย ไม่ใช่แล้ว ฉ, ฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านยกเว้นเสียยกเว้นแต่ว่าฉันได้รับพ่ะยูจากอัลลอฮฺสัฮตลาอิลยุอิละว่าอยู่ทำห้ท่านนบีสัลลัลลอฮิัมด้นบัวนั้นทุกเรื่องที่ท่านนบีรู้ที่ท่านนบีบอกสิ่งที่เป็นเรื่องลึกรับเรื่องอะไรต่าง เป็นว่าอยู่มาจากอัลลอฮฺมะฮ์ฮัตลาไม่ได้มาจากความเป็นมนุษย์ของท่านนบีมูฮัมมัดสลุลลฺาาลลอฮฺกอ阿里อัลลฺมที่ท่านนาบีบอกเรื่องสวรรค์บอกเรื่องนรกบอกเรื่องการลงโทษบอกได้ว่าคนที่อยู่ในกุโบกำลังถูกสอบถามสอบสวนถูกลงโทษบอกเรื่องราวต่างๆเพราะนาบีได้รับว่าอยู่จากอัลลอฮฺมะฮ์ฮัตลาไม่ได้มีความเป็นพระเจ้าอยู่ท่านนาบีสุลลฺาาลลอฮฺกอ阿里อัลลฺมเพราะฉะนั้นอย่าใครคิด ต, ตั้งตน หรือไปเชื่อคนที่แสดงตนในเรื่องที่นะเป็นเรื่องเฉพาะของพระผู้เป็นเจ้าในความเป็นมนุษย์ของท่านเบียสาโลลลัวอิสลัมมนุษย์กองพุ่มพาคนอื่นไหมครับพุ่มทาคนอื่น เด็กจับอกแล้วว่าเกิดมาก็ต้องพึ่งพึ่งพาพ่อแม่มือแม่แต่อยู่ในในคันก็ต้องอาศัยคันของบรรดาอยู่อยู่มากออกมาก็ต้องอาศัยนมต้องต้องพ่อแม่ต้องคอยอุ้มนะครับการเดินการเดินการเหินการเจ็บป่วยการใช้ชีวิตทั้งหมดต้องอาศัยคนอื่นทั้งสิ้นต้องอาศัยต้องพึ่งพาสิ่งอื่นทั้งหมดเลยต้องการน้ำต้องการอากาศ ต้องการย า, ารักษาโรคอาจจะปัจใจสีหรือปัจใจอะไรอื่นๆนะครับเยแยมากมายเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยงต่างๆต้องการสิ่งอื่นอันนี้ไม่มีสำหรับอัลลอฮสวาบัลลาไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดคืออัลลออย่าได้พูดว่าผมไม่ต้องผมไม่ต้องการมึงหรอกเออไม่ต้องการ อย่ไปพูดกับพ่อแม่นะนี่ร้ายหนักแล้วมัต้องพึ่งพาต้องพังพาพึ่งพาถามว่าจะไม่อยู่บนดินจะไม่มีแผ่นดินไม่มีที่อยู่อาศัยได้ไหมไม่ได้อยู่ตรงไหนอ่ะต้องอาศัยที่อยู่ต้องอยู่บนดินเนี่ยนะอดน้ำอดข้าวเขอยู่ไม่ได้แกบวดวันหนึ่งก็ปวดแล้วนะครับถือที่ดวันหนึ่งก็ปวดแล้วนี่คือความอา่อนแอของมนุษย์นะ ที่ต้องพึ่งพาเนยการถือที่เราต้องพึ่งพาอาหารต้องพึ่งพาน้ําแก้อดน้ำํำอดน้ำํำอดข้าวนี่ก็ไปไม่ได้แล้วแล้วลดความหยิงง่งยโสลงบ้างไหมในการถือหลังจากการถือที่หนดเนี่ยว่าโอ้เราปเป็นมนุษย์และเหมือนกันไม่ระวังยาเจกับนะครับอกับอะไรครับกับราชันเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันลงอดน้ําดูสิ แล้วเราสวาละให้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าการถือสิ้นอดนั้นสำหรับคนยากจนทั้งนั้นไอ้คนรวยรวยไม่ต้องบอกบทเลยคุณจะเป็นทหารคุณจะเป็นตำรวจคุณจะเป็นผู้ว่าคุณจะเป็นนายอําเภอคุณจะเป็นราชาคุณจะเป็นประธานาธิบดีคุณจะเป็นผู้ปกครองคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณถือสิ้นอดดูสิแล้วก็จะอ่อนแอเหมือนกันคุณก็จะไม่มีแรงเหมือนกันคุณก็จะเหนื่อยเหมือนกันคุณก็จะเพลียเหมือนกันนี่มนุษย์คุณไม่ได้มีไม่ได้แตกต่างในความเป็นมนุษย์ของคุณ แล้วนนอกานั้นตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งเทานั้นเองที่แตกต่างทำมาเป็นไม้ความเป็นมนุษย์ไม่ได้แตกต่างกันเลยความเป็นมนุษย์ไม่แตกต่างเนี่ยก็สูงให้เอากระสุตะล่าปอกเปือกความเป็นมนุษย์ให้เหลือแต่ความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนอเจ้ากําลังกายจะเก่งขนาดไหนวิ่งได้เป็นอะไรครับเป็นยี่สิบสามสิบกิโลต้องมาอดข้าวดูสิ มึงจะเก่งขนาดไหนเพราะกายใหญ่โตลงหมดเข้าดูดิจะเก่งขนาดไหนจะเพียเหมือนไรเหมือนไม่มีความแตกต่างในความเป็นมนุษย์มุฮัมมัดก็เป็นมนุษย์มุฮัมมัดมีโกรธมุฮัมมัดมีรังเกียจมุฮัมมัดร้องไห้มุฮัมมัดเศร้ามุฮัมมัดเสียใจไปเรื่องความเป็นมนุษย์มีอยู่ในมุฮัมมัดสุลลัลอัลลอฮหมดเลยให้เข้าใจนะ ท่านนบีเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญฮิกมาอันยิ่งใหญ่ก็คือว่าเราซูงที่เป็นมนุษย์ย่อมเข้าใจสถานะของความเป็นมนุษย์เราซูงที่เป็นคนธรรมดาสามัญย่อมเข้าใจคนธรรมดาสามัญมหาัดเข้าใจเข้าใจคนมหาัดไม่ได้สอนอะไรที่พิเศษไปจากบมความเป็นคนสิ่งไหนที่พัฒนาได้มหาัดก็เอ า, าสอน มหามัตย์เพียงแต่ได้รับคัลองได้รับแบบว่ามนุษย์ที่จะก้าวไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นต้องทําอย่างนี้เช่นความโกรธมีไหมโกรธแต่จะใช้ความโกรธอย่างไรหิวมีไหมมีหิวแล้วทํำยังไงควบคุมความหิวได้ไหมจัดการกับความหิวได้ไหมความกอ้ว นะครับเอาเรื่องภายนอกก่อนนะครับเรื่องภายนอกทั้งหมดจัดการให้อยู่ในขันลองทําให้แบบมันก็จะดีที่สุดด้วยวิธีการที่ดีที่สุดเรื่องภายในเรื่องภายในเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่เช่นไงมันต้องการแต่เรื่องภายนอกเรานี่ต้องการแต่เรื่องภายนอก เราหารู้โดยหารูไ้ไหมว่าเราต้องการสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องภายนอกด้วยเช่นต้องการเสื้อผ้าสวยๆงามๆบอกนี่วันไรวันไรโยเนี่ยซื้อยังชุดใหม่อ่าซื้อชุดใหม่กันต้องการเงินใช้ต้องการโทรศัพท์ต้องการรถมอเตอร์ไซค์ต้องการก็ขยับขึ้นไปแรกๆเป็นวัยรุ่นก็มอเตอร์ไซค์เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องการรถยนต์ นะผู้ใหญ่อีกระดับหนึ่งก็ต้องยี่ห้อต้องนะต้องดีๆขยับขึ้นไปอีกบ้านธรรมดาก็อยู่ได้อยู่อาศัยกับป้ากับมะก็ได้สักห้องนึ่งสมัยเป็นนักเรียนก็เช่าห้องอยู่ห้องนะกว้างไม่กี่เมตรอยู่กันสามสี่คนอยู่ได้แต่พอมีครอบครัวมีหน้ามีตามีตําแหน่งโอ้ยไม่ได้แล้วบ้านอยู่ไม่ได้แล้วต้องทําบ้าน ต้องสร้างบ้านนะก็ขยับขึ้นไปเป็นล้านเป็นแสนเป็นตื้หาดบางทีก็ทุบเสียมีสตังเส้หน่อยก็ทุบเะทําให้มันออกแบบอย่างดีเลยบ้านออกขยับขึ้นไปอันนี้คือความต้องการที่เป็นภายนอกความต้องการที่เป็นภายในยังไพ่อแม่ให้ทุกอย่างกับเราแต่พ่อแม่ไม่ได้ให้สิ่งหนึ่ง อะไรความรักความรักเป็นไงให้สตังนี่ความรักไหมก็ใช่แหละมันเป็นตัวชี้วัดว่าให้สตังลูกไม่มีกินก็รักก็ให้สตังแต่ความรักบางทีมันไม่ใช่สตังไงถามว่าจะมีสักวันไหมถ้าเด็กคนหนึ่งพ่อแม่เนี่ยไม่เคยไม่เคยกอดเขาเลย ไม่เคยกอดกขเลยไม่เคยหอมแก้มเลยที่เคยเกิดขึ้นในสมัยกษรสุลานสโลลลลยลัมบอกเห็นท่านนบีสลลลอลัมหอมแก้มฮสซันอูเซนท inside, ํากษรสุลมาท่านท่านอะไรนะหอมแก้มกุจุ๊บกจุกุจุใช้ปากนะคนอาหรับใช้ปากหอมนี่นี่แก่หอมนี่ก็ไม่เหมือนกันแล้วคนอาหรับใช้ปาก คนฝรั่งอ็จะใช้ปากบ้านเราเนี่ยถ้าหอมหมายถึงใช้จมูกอย่างนั้จุ๊บจุ๊เอ่านี่รักกันมากเลยดูคนระดับเขากอดกันแล้วก็จุ๊บจุบว่าเห็นท่านอัสลก็ถามอ๋อท่านหอมแก้มเด็กๆด้วยออท่านอัสล็ถามกลับแล้วแล้วเจ้าอะขาบอกว่าฉันมมีลูกเท่าไหร่ พระตัพพุธว่จับด้วยจะจะสิบคนหรือไงเนี่ยไม่เคยหอมเลยพระลพบอกว่าเนี่ยระวังนะถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้อลาวรถมาตลาจะเอาความเอาอะไรนะถอดเอาความเมตตาอวะจะเอามาให้เลยคนนี้มันไม่ได้ใช้เลยความเมตตาของคนอื่นความรักความเมตตาคนอื่นถอดออกจากหัวใจเลยกว่าจะกลายเป็นมนุษย์ที่เหี้ยมโหดอล้อังบั้ การการนอบ น, ออน้อมต่ำตนหรือแม้กระทั่งลูกหัวเด็กกาพร้านะครับลูกหัวเด็กกาพรา้าพ่อแม่มาจับแล้วก็มาเดินควงแขนกับเรามานะเราเป็นไัรุ่นก่อเอามือวางบนบาเดินไปด้วยกันถามว่ามันมีค่าขนาดไหนคนที่จะรู้จักค่าได้คือคนที่ขาดสิ่งนี้ไงเราก็ถามเด็กกาพร้าว่านะเขาเห็นพ่อแม่จูงมือลูกๆเนี่ยเขานึกอย่างไร เขาก็ยังนึกถึงป้าเขาที่เสียชีวิตไปแล้วพ่อของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วเราไม่มีตรงนี้เลยท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยเรื่องภายนอกนะครับเป็นสังคมที่ขาดแคลนในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ขาดแคลนสิ่งนี้รู้สึกเงียบเหงารู้สึก ว, ว่าวเยรู้สึกอะไรต่างๆช่องว่างระหว่างพ่อแม่กับลูกนี่ความต้องการของมนุษย์ความต้องการของมนุษย์และอีกส่วนหนึ่ง มนุษย์ให้ไม่ได้พ่อแม่นี่ให้ความรักให้ความอบอุ่นได้แต่เรื่องที่เหนือไปจากนั้นเช่นความสงบทั้งนั้นจิตใจนะครับความมั่นคงทังดัานจิตใจความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในบททดสอบทั้งนั้นจิตใจเนี่ยมนุษย์ให้ไม่ได้พ่อแม่ให้ไม่ได้เอาจากไหนอัลลอฮฺ ดังนั้นมนุษย์ที่เข้มแข็งที่สุดคือมนุษย์ที่สัมพันธ์กับอัลลอฮฺสวาหะตะลาทําไม إ ي มานอีมาน ม, มาชาะลอสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจของเราถ้าได้รับเสริมจากพ่อแม่ด้วยจากเพื่อนเพื่อนด้วยจากสังคมด้วยและวผูกพันกับอัลลอฮฺสวาหะตะลาคนคนนั้นจะเป็นมนุษย์ที่แข็งมากทําไมเราต้องให้กําลังใจกับคนอื่นให้กําลังใจได้ผมให้กําลังใจให้กําลังใจกับเพื่อนอย่าท้อนะอย่าแท้นะ อย่าท้แท้อย่าสิ้นหวังอย่าใดให้กำลังใจเรามีหน้าที่ให้กำลังใจนะครับคนมุสลิมจะต้องให้กำลังใจสักันรละกันอัสรูดอิดอคอลอัสรูดนะครับนะเรีว่าให้พี่น้องของเราเนี่อรู้สึกดีใจนี่เป็นหน้าที่ของคนมุสลิมในกัลบนมุสลิมอิดอคอลอัสรูดในกัลบนมุสลิมเอาความดีใจนี birthday, ่เข้าไปอยู imento, ่ในหัวใจของคนอื่นเจอหน้าว่าทําไมว่ามึงหน้าทีจังไม่พูดคํานี้ โอ้เป็นไงสบายดีอย่างนั้นก็ถามว่าสบายดีหรือเปล่าโอ้หน้าตาสดใสนะวันนี้มาชาลลอรว่นรู้สึกกระตือรือร้นมาชาลลอมาชาลลอมาชาลลอไปเจอกัมึงวะทําทไมมึงมพูดในเชิงลบเจอเพื่อนก็พูดในเชิงลบยิ้มก็ไม่ยิ้มแล้วพูดคําพูดก็ถากถางอะไรกันอีกอันนี้ไม่เอาสําหรับมุสลิมอันนี้คือสิ่งที่ต้องการที่มนุษย์ต้องการสําหรับอัลลอฮ์ไม่มี สำหรับอัลลอฮฺสุฮาห์ตัลาไม่มีต้องไม่ต้องการสิ่งนี้ไม่ต้องการความช่วยเหลือไม่ต้องการกําลังใจไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นอัลลอนี้นั่นแหละได้ชือ่ออัลกอนีมนุษย์นี่เป็นแค่ได้เป็นได้แค่เป็นได้แค่อับดุลลอนี่บาวของอลัลลอนีอัลลอฮฺสุฮาห์ตัลาความว่ารวยของอัลลอฮฺสุฮาห์ตัลาก็คือว่าไม่ต้องการสิ่งใดๆแต่มีเวลานะเนีย่ยดิสตีจะอ่า น, นเกี่ยวกับเรื่องนี้ เหนไออนี้บอกความเป็นมนุษย์ของท่านนบีสุลต่านไปทาอะไรที่ตลาดมุฮัมมัดสุลไปทอะไรที่ตลาดมุฮัมมัดุลาทสองอย่างสาคัญไปตลาดมุฮัมมัดมีหน้าที่อยู่อย่างหนึ่งที่สาคัญมากเป็นหน้าที่เฉพาะที่ นะที نا, ่ลราในอายะแรกเลียก ah ูนะลิลอาเลมีนะนาซีรอเป็นผู ah ้เต uh ือนบาชีเรเบาอายะกับาชีรอนะครับกมาอะไรก็อิลัลบลาหุนมูบิลอุดอิลา سبيل อัลลอฮฺบิลฮะจมตีวนมาอิซตินฮัสันะอิลลอัครินอายะมุ hammad ทำหน้าที่หน้าที่ที่มุได้รับและเป็นหน้าที่ ที่ยิ่งใหญ่หนะ้าที่เดียวของมุฮัมมัดสุลัยลสลัมก็คืออัดดาวะตุออละลอการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนพาผู้คนไปสวลอค์สวร์กันล่ะแล้วถ้าถามว่ามุฮัมมัดนั่งอยู่ที่ห้องอยู่ที่บ้านไม่ไปไหนไม่พบปา ก, กับใครรอให้คนมาหาแล้วมุฮัมมัดจะทำหน้าที่องไ ที่ที่มีคนเยอะที่สุดคือที่ตลาดเพราะฉะนั้นมุฮัมมัดไปอันแรกคือมุฮัมมัดสุล ล, ลัลวะอัลเลสลัมไปทำหน้าที่ในการได้ว่าไปบอกคนบอกเรื่องอะไรบ้างมุฮัมมัดบอกุกเรื่องมุฮัมมัดเคยเข้าไปในตลาดคนขายอะไรขายผักขายผลไม้นทำไงที่เจอเห็นขายใช้ตาตาช่างใช่ไหม สาช่างใช่ไหมสาช่างเนี่ยวิธีการที่จะวิธีการพลิกแพงวิธีการโกงมีหลายวิธีหนึ่งในวิธีการที่จะน่าโกงก็คือใช้น้ำํำมาม่าตราไว้แล้วตราสานไว้แล้วตาตรากฎหมายแล้วมันก็เสพเลซามินาใครชอบใครช่อด ใ, ใครโกงไม่ใช่พวกเรา อ๋อลองไปดูสิว่าในในตลาดเขา ม, มีคนช่อมั้ยขี้ช่อมั้ยคนโกงมั้ยยืนรถน้ำรถน้ำรถน้ำรถน้ำนะไปแล้วไม่เห็นไม่เห็นแล้วรถน้ำไม่เห็นแล้วมัมลลัลลอฮวะเปรียสลามไปดือไปดูที่วางกองเนี่ย สอดมือเข้าไปข้างในตลาดนะเรานึกถึงตลาดสมัยสมัยนบีไม่มีหลังคาไม่มีอะไรมันอยู่ที่โลกสอดน้าเข้าไปสอดสอดมือเข้าไปข้างในกองที่กองผักที่กองปรากฏว่ามันเปียก ท่านจะมีถามว่าเนี่มันยังไงอะ่ะทำไมมันมีน้ําอยู่ข้างในอ่ะตอบว่าไงฝนตกเมื่อคืนฝนตกลองไปอ่านดูนี่ไม่ใช่เรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องยกเมฆนะเรื่องจริงฝนตกท่นพีไม่ถามต่อว่าถ้าฝนตกมันเปียกข้างบนเนี่ยมันต้องเปียกข้างบนต้องเปียกด้วย พอฝนตกอ่ะข้างบนต้องเปียกด้วยเพราะฝนมาจากไม่จะมากข้างล่างวิธีนี้เป็นวิธีที่ปิดบงังแล้วก็ต้องการที่อะไรครับเพราะไปช่างเนี่ยไปช่างเนี่ยนะเที่ยวรถสหตลาสาบแช่งไว้บอกว่าวลลลลลลุิิมตตตฟฟฟนนนนออออาูู وإذا َ ا ل و ه م أو وزنوهم يخسرون ฮึ่มวินความไหยนะความมิบัด م ْงมีแก่ المطففين ัลละี่ใอิศตะลูเวลาตัวเอาเองหรือช่างเอาเองเนะเวลาอิศตะลูอะละนัสยัสซุอะยัสซฟูนเวลาให้คนอื่นช่างให้เขา เต็มเต็มหน้าเต็มเแถมแถมด้วยแถมแถมพุดพูดพุดพูดภาษาใต้ภาษาใต้บอกว่าพูดพูดพูดพูดเวลาเขาตวงบอกพูดพูดเลยแม่ค้าพยายามหยดเป็นเป็นฉ like pues ุงๆเพิ่มอันนี้เวลาจะจะให้เขาช่างให้เราเราต้องการเต็มใช่ไหมไวซการ์ล้วนหน้าเสียสะพูนไวซกาลู่หุมถ้าช่างเองเพื่อที่จะขายให้กับคนอื่นเอาวัสนูหุมที่จะ หายให้กับพวกเขาให้คนให้ผู้คนยุ่ยซิรูนทาให้ขาดทาตาช่างไว้ก่อน่ะผูกไว้ก่อนเลยทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่ก่อนไม่อะไรนะไมาขิดไฟรู้จักเปล่าไมาขิดไฟยังมีอีกว่ามาขิดไฟที่เป็นกล่องที่เช็คเช็คมาจากโรงงานน่ะเต็มเต็มผัดชาตายว่ะจ็้มแจ๊กแจ๊กนะอ่าอ่าเต็มเลย แม่ค้าก็มาแกะกล่องนะแกะกล่องแล้วก็เอาออกดึงออกสักสักสี่ห้าก้านก็ไม่กระทบอะไรก็หลวมๆขายราคาอะไรอันนี้ก็มาขยายน้ำมันที่ช่างอยู่ที่น้ำมันอะไรก็น้ำมันทอดปลาทอดอะไรต่างๆที่ขายอยู่เนี่ยมันมาแพ็คกิ้งหมดทั้งหมดเลยบอกว่ากิโลหนึ่งแต่ไม่ถึงกิโล ถามเราไปถามเนี่ยข้าดูอ่ะนี่กิโลไหมก็จะบอกคนที่เป็นที่รู้กันก็บอกว่าไม่ไม่ถึงกิโลอ่านี่กิโลราคาอื่นทำให้ถูกกว่ถูกว่าเราลืมนึกไปว่าไอ้นี่มันไม่ถึงกิโลไอ้นี่มันกิโลนึ่งราคาราค า, า, คาแล้วแล้วทําทําไมทําทําไมทําไำเพื่อตบตาไงวัชทําเพื่อตกตาเพื่อหลอกลวงคนรู้เท่าไม่ถึงการเอาแล้วนี่ไปตลาด ดาว่าเหมือนกันบอกคนเนี่ยอัมรุบินมาอูฟวันหน้าโยอนั้นุ่งกับบอกกาชับในเรื่องความดีและห้ามปราบเรื่องความชั่วเป็นหนึ่งในงานใหญ่ของงานดาว่าเธอผิดครูต้องบอกเธอถูกครูก็ให้กําลังใจใช้ให้ทํากื่นี้ใช้ให้ละหมาดพอไม่ละหมาดก็ต้องว่ากันอันนี้คืองานดาว่างานดาแล้วไปข้อที่สองมุฮัมมัดไปทําอะไรครับ มหัศธรรมค้าขายก่อนที่จะรับภาระอันยิงง่งใหญ่มหัศสลลลลอวะอิสลมมามธรรมค้าขายก่อนหน้านั้นก่อนที่จะได้รับวายูเนี่ยก็คนระดับก็คนพวกคนทีเห็นว่มหัอยู่ตามตลาดนั่นแหละรรมค้าขายแสดงว่าเนี่ยมหัศส่วสิ่งที่ทาได้สาหรับคนที่เป็นน บ, บีเช่นเดียวกันกับเราก็าาที่เป็นครูบาอาจารย์หยามือหอเท่ากับ อ, อะไรทาได้ก็ทาไป มันไม่ได้ลดความเป็นมนุษย์ของเราไม่ได้ลดความเป็นมนุษย์ของเราบางคนเข้าใจว่าทำอย่างนี้มันเสียเกียรติระหว่างการขอกับการทำงานเองเนี่ยนนไหนมีเกียรติกว่าครับทำงานเองดีกว่าครับนีคนไปห า, า, ลลาท่านบีสละละวะไอ้ลันไปขอสดับก็ร่างกายแข็งแรงกายำบึกบึ่นแข็งแรง นบีก็ให้ไม่เคยข้างไหนที่นบีไม่ให้นะครับอัมมาซาอเลออัมมาซาอเลลาตันหัคนที่มาขออย่าไปตะเพิดเขาให้เขาไปถ้ายัางไม่ให้แล้วก็พูดดีๆกับเขาสลาอะไรกงไม่แล้วมาจากไหนเอาไปทำอะไรไม่ต้องถามไม่ต้องถามจริงหรือเปล่าไม่ต้องถามอาจจะดูว่าจริงไม่จริงมีสตังกีบาทละหบาทสิบบาท ถ้าไม่แน่ใจก็ให้เขาไปยี่สิเนี่ยต่าให้เขาไปกินข้าวจบหมาเลยลา จ, จะกูร่ำค้านเต็นที่วันนั้นอัลลอฮฺว่ากัอย่าไปตะเพิดอย่าไปจะคิดในทางไม่ดีมันมีสตังค์มันจะรวยมันจะให้ไป 500, ็นงห้าร้อก็ไม่รวยหรอกครับคนคนค น, นั้นน่ะเด็กเจะเดินเดินเดินอลงจากรถสองแถวทีหักก่วเส้นอะไรต่างๆะครับมาจับมาอันนี้มามาม า, มาเลยลากะยอมัดี <laughs> มาจากทางนั้นมาบ่อยว่าหนังสือฉบับหนึ่งใบรับรงองอะไรต่างๆเจ้าครูเจ้าเข็นไม่ต้องไม่ต้องหาบาทสิบบาทหรือจะไม่มีก็สลาวะลยก้มขอละวันนี้ไม่มีนะวันหน้าคอยมาใหม่ก็แล้วกันอะให้ความหวังขอวา น, นี่คนคนที่มาขอให้ก็ามหวโอ้ยแล้วบ <laughs> ่มบาบ่มบาสักบาทก็ไม่ไม่ <laughs> แล้วไอ้ไรเราล่อได้บาปได้บาป น บ, บีก็บอกว่าอันนี้อ่ะน บ, บีก็ให้แต่น บ, บีก็สอนว่าตานที่คนคนหนึ่งเนี่ยนะเอาเชือกและเอาขวานเดินขึ้นไปหาไม้ฟืนบนเขารือชายเขาดีกว่าที่จะมาขอทานจากพูกคนบางทีคนก็ให้บางทีคนก็ไม่ให้ ทำงานดีกว่าให้เราให้ uno, ideas, แต่ว่าเราสอนว่าทำงานดีกว่านะมีเกียรติมากกว่านบีดาวุฒที่บอกว่าเมื่อวันก่อนบอกว่าบวชเว้นวันมีอีกเรื่องหนึ่งที่นบีชมเชยเกี่ยวกับนบีดาวุฒก็คือว่านบีดาวุเนี่ยยคกุลมินอะไรครับมินอ่ามินอามาลิจัดิฮีจัดินะครับนบีดาวุฒเนี่ยกินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง นบีบางคนเป็นช่างไม้นบีบางคนเป็นโน่นเป็นนี่ทํามาหากินแต่ที่ทําให้มันห า, หามาหากินได้น้อยเนี่คือภาระกิจติมากมายอย่างเต็งตันอุนลลสุลลอสอเลิสลามก่อนที่จะได้รับวะอยู่ท่านก็ทํามาค่าขายแต่พอได้รับวะอยู่บทบาทหน้าที่เหล่านี้ก็ต้องลดลงเพราะเรื่องนี้ใหญ่กว่า มากกว่าเพีเยงแต่สอนเพีเยงแต่บอกแนะนำสหาบ้างแนะนำผู้คนต่างๆสหายบางหลายคนของท่านนาบีสุลต่านอัลลอฮก็เป็นนักธุรกิจทําการค้าใหญ่โตอุสมานเป็นอัฟฟานร่ราํารวยแล้วก็บริจาคอย่างมหาศาลอาบับดุลฮ์มานบินอัฟก็เป็นพ่อค้าใหญ่ทั้งที่มักกะแล้วก็ไปที่มัณฑนันะ่งกับกระเบเกอกลายเป็นพ่อค้าอีกเหล่านี้เป็นต้นที่ได้คํำจนอิสลามมาทำมาขาขายเนี่ยครับยัมชูฟินอัสวั แล้วมันบ่งบอกว่าอาชีพอย่างหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับมุสลิมก็คืออันอาสวะที่ต้องอยู่ในตลาดที่ต้องทำธุรกิจและโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกของธุรกิจไปแล้วจะทำกา ร, กรเกษตรจะเลี้ยงสัตว์จะปลูกข้าวปลูกอะไรต่างๆมันทำได้ยากแล้วที่ที่ทางอะไรต่างๆมันแพงอาสวะกลายเป็นสถานที่ที่สำคัญมาก อันนี้ครับที่มันแฝงด้วยคำสอนอยู่เล <c oughs> ah ่าลาอุนซิลอิัลหีมาละคนลาลาอุนซิลอิัยหีมาละคนฟยักูนมะาฮูนดีรอเสนอเนี่ย พ, พ, พวกกุฟาร์พวกปฏิเสธมุชิกนี่เสนอเนีน่ยอัลลอฮ เสนอเนี่ยว่าี่ถ้าหากว่าไม่ส่งมาลายกัดลงมาไม่ส่งเทวดาลงมาเป็นระซูนก็เอางี้ก็แล้วกันส่งมาลายกัดมาสักมาสักท่านหนึ่งมาคอยช่วยนบี ว่าแสดงไม่ได้แสดงอภินิหารไม่ได้แสดงอิทธิฤทธิ์อะไรไม่ได้ก็มหันฯมาลาอกัสลาลาอุนซิลาอิเลหีลาลอุนซิลาอิลนะถ้าไม่ไม่ท่งลงมาซึ่งอิลหมาละกนมัเป็นธรรมเอกพจน์ถ้าหลายหลายท่านก็มาลาอิก ท่านเดียวก็มาลำส่งมาเพื่อช่วยท่านนบีสลลัยมาอหูฟยยมูมาอาหูตามท่านนบีสโลโลอะเลยลำคอยคอยคอยช่วยคอยคอยยืนยันว่าเนี่ยเาแต่งตั้งจริงคอยยืนยันกับผู้คนว่ามาอเนี่ยคอยยืนยันให้กับผู้คนว่านี่เป็นราซูจริงเป็นอย่างนั้นจริงถ้ามีปัญหาอะไรก็ช่วยแก้ช่วยแรงต่างมาอูไปประกบไปเลยดูเสนอแนะเสนอแนะ เพเป็นคนพิเศษเป็นคนพิเศษอะไรครับต้องส่งต้องมีต้องมีผู้ช่วยมาลกัรให้มาลายการมาเป็นผู้ช่วยพะยาคูนามาอหูนาซีรมาเป็นผู้ที่คอยเตือนสัมทับนะร่วมกับท่านเบียสลุล ล, ฮลอฮฺอัลลอฮฺมูฮัมหมัดต้องกินอาหารต้องอต้องย้มชีฟินอสวาก โอตัดไปเลยไม่ต้องให้ทำมันี่ทํำยังไงอ่ะกอเสินเนะื้อแนกอเสนอแน่ก้อนสองเอายนไกไลฮิกันุนเอาครังดนคลังลงมายนทรัพย์สินอะไรออมาให้กับมุฮัมมัดมุซาแดงว่าโอ้คนที่จะทําทงานคนที่จะทําทงานดาว่าคนที่จะทําทงาน สำคัญอย่างนี้มันต้องมีฐานะต้องมีอะไรต่างๆเร้่องรับการสนต้องกั้นซุนต้องไม่ใช่คนยากจนอดมือกินมือเหมือนกับมุฮัมมัดสุลลี่อิสลามทำไมไม่ให้ถ้ามุฮัมมัดเป็นระดูลจริงเนี่ยและผู้ที่เป็นพระผู้เป็นเจ้านี่ผู้ยิ่งใหญ่มากทําไมไม่เอาทรัพย์สินมากรอให้กับมุฮัมมัดเราล่าเราเอายุ่งกอนะครับยุ่งกอถูกโยนลงไปให้กับเขากันซนกันซุนก็คือคลัง ทรัพย์สินนะครับนะให้กับันซาโลโลหนึ่งในความคิดของของของคนทุกยุคทุกสมัยแล้วว่าคนที่จะทานะครับคนที่ที่จะไปอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องรวยต้องมีอันจะกินแต่คนในที่มันมีอันจะกินก็ไปตามภาษาของคนมีอันจะกินคนที่รวยๆก็ไม่ได้ลงมาดูแลคนยากคนจน สอนหนังสืออะไรต่างๆก็ไปแล้วมีแต่เหลือแต่พวกโตคูพวกวอะไรครับพวกเจกกูอะไรต่างๆที่สตังไม่ค่อยจะเท่าไหร่นี่แหละเดียวบอกเดินบอกชาวบ้านอยู่พวกรวยๆก็ไปหมดละไปหมดเล ย, เลยกันสออะนี่พวกนี้เสนอเสนอแน่ Allah เสนอแ น, น่ Allah นะอัลกูนาละหูจันตุนยะกูลมินฮา ถ้าไม่คลังก็ให้มีสวนเป็นเจ้าของสวนยันนะสวนนั้นจะได้เก็บเกี่ยวถ้าบ้านเราก็สวนยางจะได้เก็บเกี่ยวเป็นรายได้ที่จะมาซัพพอตตัวเองสวนจะได้ไม่ไปทามาหากินก็จะได้กินจากสวนนี้โอส้สมบูรณ์ไม่เป็นคนขาดแคลนอย่างนี้ไม่เป็นคนขาดแานคล น, นอย่างมุฮัมมัดสลุลต่านนะอัลลอประสงค์ให้มุฮัมมัดเป็นลูกกัปรามฮัมมัด สัลลัลลอฮวอะลัยวะลอซาฮตาลาประสงค์ให้ยากลาบากก็มาอยู่กับนะครับต้องไาอยู่กับแม่นมคนแล้วคนเล่าอัลลอฮซาฮตาลาประสงค์ให้มฮัมหมัดเป็นอย่างนี้อัลลอฮซาฮตาลาประสงค์ให้มุนะมฮัมหมัดเผชิญหน้ากับความยากลาบากเหล่านี้อัลลอซาฮตาลาประสงค์แต่พวกนี้มาแนะนำว่าหน้าถ้าเป็นอย่างนี้นี่ความเกลยมนุษย์ไงอัลลอฮฺสซาฮฺตาลาประสงค์ ไม่มีใครที่จะไปฝืนความประสงค์ ข, ของลอสซาฮัตละได้มนุษย์คิดแนะนําและบางครั้งเราก็คิดว่าทําไมไม่เป็นอย่างนั้นทําไมไม่เป็นอย่างนี้ทําไมอัลลอฮ์ไม่ให้อย่างนั้นทําไมอัลลอฮ์ไม่ให้อย่าตั้งคําถามไม่มีคําถามสําหรับอัลลอสซาฮัตละนี่นะครับเป็นตัวอย่างตัวอย่างความคิดของมนุษย์ที่ถ้าเราเอาปัญญานี่โอ้เขา้าท่าเข้าท่าเข้าท่าทุกเรื่องเลยแต่อัลลอฮ์ไม่ต้องการแบบนี้ แสดงว่ามันมีอะไรฮิกมะอยู่ในนั้นความรอบรู้ของอัลลอฮฺสมบตลาเป็นอาลีมฮะกีมอัลลอฮฺสตลาทรงฉลาดปราดเปรื่องหาที่สุดไม่ได้หาที่เปรียบเพียบไม่ได้มีวิทยาปัญญาที่เลือกท่านนับดุีมหัมมัสุลัย์ลมให้อยู่ในสภาพอย่างนี้พวกนี้แหละพวกซาลิมุนซอลิมุนแรกก็คือซอลิมุนที่ที่ที่ว่าอันกุรอานนะครับว่าเป็นกรรุรอานว่าเป็นอิฟ เป็นอสซาตีดและบอกท่านนบมีมุฮัมมัดมาย่อเย้ยท่านน บ, บมีมุฮัมมัดสุลเลาะห์อิสลามว่ายากุลุตปาห์มยัมชีฟินอาซาพวกนี้แหละบริมูนเป็นพวกซอริมูนเป็นพวกที่อธรรมในเมื่อความจริงบอกเป็นความเท็จในเมื่อสิ่งที่ไม่ใช่นิทานปารามปราบนะครับเป็นความรู้อันยิ่งใหญ่มาบอกว่าเป็นนิทานปารัมปราในเมื่อนะครับไม่ยอมรับท่านบบนบีสุลเ ล, ลาะห์อิสลามเป็นรัศุนก็นี่คือพวกที่อาจทำ บ, บริมูน อิ่ยต تبعون إلا رجلاً เเร่ إلا رجلاً مسخورة พวกท่านตั้งหลายพวกท่านตั้งหลายพวกท่านไหนบอกหรือพูดนะครับกล่าวหาพวกที่ปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดสุลลฺลลอฮฺวะาลัยซุลแลมว่าอะไรครับพวกท่านตั้งหลายเนี่ยไม่ได้เรื่องเลย ไม่ได้ตามอะไรนอกจากเราอยู่ลำมัสคูรอไปนู่นนี่แล้วอีกข้อกล่าวหานึงอีกข้อกล่าวหานึงที่กล่าวหาท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยซ์ลัมสอนมาตรงนี้ก็คือเราอยู่ลำมัสคูรอผู้ชายที่ถ <laughs> ูกของเมตมุนคาถาไสยศัสตรคนที่ถูกของเป็นไง ก, จนนากา็จินตนาการจินตนาการว่าตัวเองเป็นระสูลจินตนาการว่าตัวเองได้รับวายูจินตนาการโอ้จินตนาการคล้ายๆกึ่งกึ่งคนบ้านะครับแต่ถามว่าอันกุรอานเนี่ยมันจะจินตนาการได้ไหมเนี่ยอัยยันกุรอานนี่จินตนาการได้ไหมสิ่งที่อัลลอฮฺสุฮาตลาบอกเนี่ยจินตนาการมันเรื่องจินตนาการได้ไงมันเป็นความรูร้คนคนหนึ่งจะเข้ากับปัญญาไหมคนคนหนึ่งนั่งสักประเดี๋ยวหนึ่ง นั่งหลับตาโย่เออแสดงอาการออกมาแล้วพูดบัญญัไม่เคยเข้ามหาวิทยาลัยไม่เคยไปไห น, นทั้งสิ้นไม่เคยนะไม่เคยเรียนที่ไหนนะนั่งนั่งตกใจกนมาอะไรเข้าอะไรมาเข้าแล้วพอเข้านี่ก็บรรยายเป็นระดับโรเฟสเซอร์เลยบรรยายเรื่องวิทยาศาสตร์บรรยายเรื่องโน้นบรรยายเรื่องนี้ถูกต้องหมดเลยโอ้โหฮะนี่แหละ นี่แหละคนที่ถูกของไงแล้วมีใครจะเชื่อบ้างคนที่เรียนมาเป็นนะครับจนกบเกษียณแล้วเป็นอาจารย์จนกเกษียณแล้วยังยอมรับว่าโอ้นี่สุดยอดเลยมันรู้มาจากไหนไอ้ทายเขาเองกที่ยกคนดังๆมามันได้จากไหนอะ ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าทดลองผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกเป็นร้อยครั้งผันรั้งผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกพยายามมันไม่เ ค, เคยเข้าโรงเรียนใช่ไม่เคยเข้าโรงเรียนเราจะไม่เข้าโรงเรียนได้ไหมเอาตามไอ้สายละไม่เคยจบที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่วิธีเรียนเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่ในโรงเรียนอย่างเดียวมันอยู่นอกโรงเรียนคนที่รู้จักใช้ พื้นที่นอกโรงเรียนในการเรียนเขาก็ได้รับความรู้เหมือนกันถ้าเกิดวิธีที่เขาใช้มันเป็นวิธีที่ถูกต้องเช่นเธออ่านหนังสือออกเธออ่านหนังสือได้จบป .6 เธออ่านหนังสือได้ไม่มีโอกาสได้เรียนแต่เธอนี่เป็นหนอดหนังสือเห็นหนังสือไม่ได้อ่านมีคนคนหนึ่งไม่เคยเรียนศาสนาเลยเสียชีวิตไปแล้วไม่เคยเข้าโรงเรียนที่ไหนเลยจบแค่ม .8 ม .8 คือม .6 ปัจจุบันนั่นแหละม .8 ม .8 สมัยก่อนอาจารย์ยังไม่เกิดม .8 รุ่นอาจารย์นี่ม .6 ไม่ใช่ม .6 ไม่มีิึสนะอบมัธยมศึกษาม .6 ห้าจบม .6 5อาจารย์จบม .6 ห้าของเธอนี่เป็นม .6 แล้วเตียนแล้วไม่เคยพ่อแม่ก็ยากจนเลี้ยงแพะตัดหญ้าให้แพะอยู่กรุงเทพ พ่อแม่ยากจนเอาพ่อเสียชีวิตไปแม่ในเรียนหนังสือจบแค่ม8พอจบไปม8ก็เหลือแต่มาคนเดียวก็ส่งเสียไม่ได้ยากจนมากแบบเป็นลูกจ้างเขาเป็นลูกจ้างเขาเป็นเป็นลูกจ้างคนจุงคนจีนการขายของที่ร้านก็เห็นนะครับคนมารายูเราอะไรต่างที also, ่เป็นลูกเทียบเป็นลูกจ้างร้านขายผ้าบ้างขายโน่นบ้างขายนี่บ้างหยิบของอะไรเขาด้ยสื่อภาษาพูดมารายูพูดโน่นพูดนี่เด็กเราก็ตามภาษาอะไรเยอะแยะมากมายไม่ใช่จ้างของร้านหรอกลูกจ้างทั้งนั้นเลย คนจีนจ้างมาวนนี้เวลาทํางานก็ทํางานไปตกจ้างที่บ้านจุดเทียนไม่มีเทียนไม่มีแสงไม่นึกออกไหมบ้านจุดเทียนสมัยอาจารย์นีนจุดตะเกียงตะเกียงน้ํามันกัดรู้จักไหมน้ํามันกัดรู้จักนะน้ํามันกัดไม่ใช่แก๊สนะน้ํามันกัดสีขาวๆกลิ่นเหม็นๆจุดตะเกียง สาใตว่าเกียงเกียงทางขกมันดำความดำมจะโตะจะเขียนหนังสือก็มีนอนราบกับพื้นทำการบ้านจุดตะเกียงก็เห็นแค่บริเวณนี่แหละมันไม่ได้สว่างไปมากมายก็มีตะเกียงเจ้าพายุ ก, ก็สว่างหน่อยเวลาทำทำอะไรงานบุญงานอะไรก็ใช้เจ้าพายุอ้ําลมปบปบปบอะ แขวนโอ้สนุกเลยเด็กมาวิ่งแล้วว่าจุดจะเกียงเจ้าพายุนี่มันสว่างทั้งบ้านอืมทา่าไงหนังสือไม่มีไฟฟ้าไม่มีบ้านรอบข้างอะไรต่างคนได้รวยก็มี่ไฟฟ้าแต่เราไม่มีไฟฟ้าแกใช้ตรงไหนครับใช้เสาไฟฟ้าเป็นที่อ่านหนังสือเลิกงานอะไรเสร็จจับแล้วกลางคืนหนังสือมาอ่า อ่านที่เสาไฟฟ้านึกออกไหมนึกออกไหมเสาไฟฟ้าที่มีไฟที่เขามาใส่ไฟ น, น่ะนะนั่งบนถนนแล้วก็อ่านหนังสือตรงเสาไฟฟ้าอ่านอ่านอ่านจากอาชีพที่นั้นก็เป็นสิบปีเป็นลูกจ้างเขาก็เรียนรู้อะไรต่างๆนมาเรียนจากพื้นฐานความรู้ที่พอมีอยู่มาอ่านหนังสือกลายเป็นผู้มีความรู้ ฉลาดอาลอสวตาตาให้ความรู้แล้วถ้าจะบอกว่าคนคนนั้นอันนี้เสียชีวิตไปแล้วกลายเป็นเศรษฐีในด้านฐานะกลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านโอเคร้อยล้านนะมากกว่านั้นก็ล้าเป็นความรู้กันาดไนความรู้ปรษาอังกฤษ บอกได้เลยบอกได้เลยเวลาฝรั่งพูดเวลาฝรั่งเขียนจดหมายมาเนี่ยแบอกมันฝรั่งนี้ไม่ได้เรื่องผิดทั้งนั้นเลยที่เขียนมานไปบรรยายใ น, ในในต่างประเทศในอเมริกาในอะไรต่างๆตามสถานที่ต่างๆตามสมาคามอะไต่างๆาเขาเรียกแกมมีวุดอะไรม .8 แค่นั้นแหละเรียก p เฟ f e s s o r ศาสตรา จ, จารย์ ภาษาหรับไม่เคยเข้าโรงเรียนนอกจากอาจารย์เรียนแบบแบบที่อาจารย์ว่าถามครูบ้างอะไรบ้างนิดนิ ด, นดหน่อย่อยสามารถที่จะแปลภาษาหรับได้รู้ซึงลึกซึ้งในคำหมายของคำของคาแต่ละคำเป็นบุคคลที่ได้แปลอันกุรอานจำไม่ผิดถ้าไม่พลาดก็เล่มที่สองอ น, นะเล่มที่สองฉบับแรกคือของจุลาตวน ฉบับแรกเยผไม่รู้จะอาจารย์สับสนว่าของของของของแกหรือว่าของของท่านจุลาต่วนในสองฉบับแรกๆก็คืออาจารย์ิเรกุนสิริสวัสด์แปลภาษากฤาิตภาษาอังกฤษภาาอังภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังภาษาังกฤษภาังภาษาองภาษาอัาองกอังางกาักฤษาอังกอังกฤษภาษาาังกฤองัังอ อันนี้คืออะไรครับคือผู้ที่ได้ใช้ความพยายามพวกเราก็เช่นเดียวกันนะครับพวกเราก็เช่นเดียวกันเหล่านี้จะเป็นหนทางในการที่จะได้มาซึ่งนะครับได้มาซึ่งความรู้โรเจอร์มัสคูรอมันมหัศโลลันเป็นไปไม่ได้ที่มมฮอจะถูกของแล้วมา ออกพูดออกมาแต่ละครั้งเป็นวิชาเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับนี่เป็นข้ออีกข้อกล่าวหาตกลงว่าสองเรื่องนะครับสองเรื่องในความเป็นมนุษย์ธรรมดาพอเป็นธรรมนุษย์ธรรมดามนุษย์ธรรมดาโดนของถูกเอ็นมลคติศาสยศาสตร์นี่มากล่าวหาท่านอบีมุฮัมมัดสัลลาห์อิสลามนะครับหรืออายาอื่นก็จะบอกว่าเป็นเป็นคนบ้าเป็นคนบ้าอัลลอฮ์เลยถามว่าอัลลอฮ์เลย ตัสถวะอน ظر كيف ضربولك الأمثال فضلوا فلا يستقيعون سبيلا ดูสิมาฮัมมัด <laughs> อ <laughs> uh si ัลลอฮฺส <laughs> uh <u> si ุล <laughs> ฮ uh si ฺตะลาบุร์จัดเตนบีมุฮัมมัดบว่าดูสิมาฮัมมัดดูสิคำว่าอน ظر ดูสิ ك ي ف ض ر บู ل ك ن ك ي ف ض ك ن ن س ا ن ไม่ไมาละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละะละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละอะละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละลูละละลละละละละละละะะะล ว่าเขาเนี่ยยกเรื่องยกเมฆยกตัวอย่างยกอะไรข้อกังขานะครับข้อสงสัยขึ้นมาข้อใส่ล้ายขึ้นมาเนี่ยมากล่าวหาเจ้าอย่างไรดูสิดสูคือกาลังจะบอกว่ากำลังจะบอกว่ า, วาสิ่งที่วกเขายกขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีมูลความจริงอยู่เลยที่มันพูดมาได้พูดมาหนึ่ง สองสามสี่ตัวมาลงที่เราอ ย, ยูลัมมชฮูรอผู้ชายที่ถูกของถูกเว้นบนคาถาเสยสัตว์เกิพระบรบูแล้วกันอันัาตแล้วเมื่อยกสิ่งนี้มาสิ่งที่ไม่มีมูลความจริงอยู่เนี่ยฟาวด์ลูเลยเพวกเขาก็หลงแทนที่จะพบกับความจริงเนี่ยเลยกลายปเป็นหลงแล้วหลงชนิดไหนหลงแบบไหน ฟาลายสาัตยาอุนสัสตลาล้งแบบไม่มีวันที่จะพบกับหนทางที่ถูกต้องพวกที่กล่าวหาท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยซซัมโดยเฉพาะแกนนำของพวกกูรชหลายคนหรือเกือบทั้งหมดตายในสภาพที่เป็นกาเฟตไม่ได้พบเสร็จจะทำของอัลลอฮฺมาซะแล้ทำไมต้องกล่าวหาขนาดนั้น ทำไมต้องกล่าวหาขนาดนั้นนะครับมันมีเหตุผลบางประการซึ่งเราจะซึ่งจะมีอายะที่ได้กล่าวถึงนะครับ <c oughs> ดังนั้นเราได้เห็นค้ณนความเป็นมนุษย์ของท่านนาบีมุฮัมมัดสุล ล, ลัลฮฺฮุอัลเลาะห์อัสลามในเชี่เห็นว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุล ล, ลัลฮฺฮุอลเัลมเป็นมนุษย์ที่อยู่ในสังคมไม่ได้หนีออกจากสังคม นะความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสวาฮาตลาในอิสลามแสวงหาได้ด้วยการที่เราอยู่ในสังคมไม่ต้องปลีกตัวไปอยู่ในถ้าไม่ต้องหนีจากโลกไม่ต้องหนีจากโลกที่เป็นโลกโลกีที่เขาว่านะครับโลกโลกีโลกที่ต้องแต่งงานโลกที่ต้องกินข้าวกินน้ำโลกที่ต้องแต่งกายแบบธรรมดาโลกที่ต้องใช้ชีวิตธรรมดาสามัญนะครับนะครับ มีคนมีคนผิดมีคนชั่วมีคนดีมีเราอยู่ในสังคมนี้ในอายะอื่นบอกว่ายัมซีฟินนาสเดินอยู่ท่ามกลางผู้คนนี่คืออิสลามนี่คืออิสลามอิสลามที่เป็นาศาสนาสุดท้ายไม่ใช่าศาสนาที่ปลีกตัวออกจากผู้คนไม่ใช่าศาสนาที่แสวงหาความสุขด้วยการไปอยู่ในถ้ำด้วยการไปอยู่ในที่ที่ไม่มีผู้คน ไม่มีการทำมาค้าขายไม่มีการและไม่มีการกินไม่มีการดื่มแบบปกติธรรมดาหนีออกไปใช่มันจะได้สะอาดจะได้ผ่องแผ่วไปขุดรูอยู่วางคนขุดรูอยู่เป็นตัวลีตัวลีต้องผูกคนไปหานุ่งอะไรครับแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่แปลกประหลาดนุ่งขาวห่มขาวอันนี้ไม่เกี่ยวกับแม่ชีนะครับแต่มีคนมุสลิมที่คิดแบบนี้นุ่งขาวห่มขาวนะครับปลีกตัวไม่พูดไม่จา นะพูดคำถามคำท ำ, ำตัวทำทำเอาเองทำ ม, ม็กเม็กเมิกว่ากูนี่ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่าทำอย่าเสแสร้งอย่าเสแสร้งคนมุสลิมอย่าเสแสร้ง จ, จะเป็นครูบาอาจารย์อย่าเสแสร้งให้เป็นจริงตัวจริงของเรานะพาธารบาลนะไม่ต้องไม่ต้องเยอะ <c oughs> นี่ผืนหนึ่งอันนี้ผืนหนึ่งอันนี้พาดบายอีกผืนหนึ่งอย่าไปเม็ก ตัวจริงของเราเป็นยังไงบางทีธรรมดาสามัญนี่แหละแต่ธรรมดาสามัญนี่ให้ให้อะไรครับอย่างหนึ่งพวกเรานะอาจารย์บอกนะนะแต่งกายแบบอะไรครับเขาเรียกว่าสังคมของเราถ้าคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยแต่งกายให้เรียบร้อยอย่างอาจารย์เนี่ยถามว่าอาจารย์ถามว่านุ่งยีนนี่ผิดไหมคุกกลมว่าง่านุ่งยีนอาจารย์ก็เคยนุ่งยีน นุ่งกางเกงแบบว่ามันทันสมัยหน่อยๆเนี่ยนุ่งได้ไหมได้แต่มันไม่ใช่ไงคนที่เรียนครูบาอาจารย์ในสังคมของเราเนี่ยมันต้องต้องมีพร้อมต้องดูดใส่โต๊ะใส่เสื้อขาวอาจารย์บางบางคนมาจากกรุงเทพสมัยที่เคยได้ยินเขาบรรยายนะครับเขาบอกว่าก็ เ, าเห็นอาจารย์พวกเราที่นั่งใส่เสื้อโต๊ะนะครับเขาขึ้นบนเวทีแล้วก็พูดว่าพี่นอ้องอาหรับขายหมูใส่โต๊ะ มีไมโครดาวุฒขายหมูคนอานมีเยอะไหแต่ไม่ต้องการบอกว่าคนอาหรับที่ใส่โต๊ะขายหมูน่ะมีมันต้องการกันแน่กันแน่ว่าเนี่ยพวกที่ขายพวกที่ใส่โต๊ะที่นั่งอยู่ข้างหน้าเวทีเนี่ยมันไม่ได้วิสวดวิสวอะไรต่างๆเพราะว่าเรื่องเป็นจุดธรรมดา ค, าคนขายหมูแต่เราไม่ใช่ไง เสื้ อ, อยู่บอ่อเสื้ออะไรต่างๆที่เราใส่กังเกงเอิดอะไรมันเป็นมันเป็นอะไรครับสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเราเราจะเป็นตัวอาจารย์มาใส่ผูกไทใส่สูตรที่นี่สังคมที่นี่บางครั้งเขารับไม่ได้พอรับไม่ได้ปั๊บเนี่ยแต่แก้ไยน้องของเราก็ไม่เอาแล้วไม่เอาด้วยแล้วลงไปสามจังหวัดเลครับใช่ความรู้คนนี้ไม่ไปฏิเสธ แล้วก็มันนานจะไม่สําคัญด้วยมันเรื่องภายนอกใช่ไหมอาจารย์จะไม่ใส่หมวกอาจารย์จะไม่พกสารบานันแต่ไปบางที่เนี่ยสังคมก็เป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าคนที่เป็นตัครูเนี่ยมันต้องมาฟอร์มนี้ถ้าไป่ปิดคาดเนี่ยเขาก็จะตั้งคําถามเป็นร้อยๆคําถามแล้วเราทําสิ่งนี้เพื่ออะไรเราทําลินล่าไม่ได้ทําเพื่อมนุษย์ทําเพื่อมนุษย์นะครับบางคนเอ้ากูไม่จะไม่แข็งไม่แข็ง อาจารย์ก็เคยเตือนบางคนที่เป็นเป็นครูบาอาจารย์นะครับบอกว่าตามมาทางใต้นะั้นแต่งตัวอไม่แ น, นนะนํานัแต่งตัวแบบนี้ครูบาอาจารย์ของเรา อ, ออกทีวงทีวีต่างๆแล้วไม่แนะนํานั่นนะแต่งตัวแบบนี้นะครับก็รู้ข้เราแอก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับอันนี้คือนะครับไม่ถึงกับเป็นรีบสัสตักกวานะ อิบาสุดตะกัวเรามีครูอาจารย์มีครูอาจารย์เหเคยเห็นว่าครูนี่เขาแต่งตัวยังไงเชคครูตะวุธก็อยู่ที่อียิปต์เชคเขาแต่งตัวยังไงคนที่สอนศาสนาก็แต่งตัวยังไงเราเลียนแบบเขาอันเนสอันมารามานมามันอะไรมัไม่อยู่ให้คนนี่จะได้อยู่กับคนที่เขารักมีชายคนนึงมาถามท่านนบีสุลตัลลอหฮฺอัลลอฮ์อิสลามบอกว่าฉันรักคนคนหนึ่ง แต่ว่าเขาไม่ได้พบกับเขาคนดีที่ฉันรักไม่ได้พบกับเขาเสียดายจังเหมือนจะบอกว่าทําไงไม่ได้ไม่ได้พบกับเขาแต่ว่ารักคนคนนั้นอย่างเรารักนบีเนี่ยรักนบีไม่ได้พบกับท่านนบีรักสหายบาไม่ได้พบกับสหายบานบีบอกว่าอันมาอูมามันอาฮับบ่าวมันมันอัมนอาฮับ คนจะได้อยู่กับคนที่เขารักได้อยู่คนเขารักอย่าไปรักดารานะจะได้อยู่กับดาราอะอย่าไปรักอะไรนี่มันมีระ ย, ยะที่สําคัญคนที่จะได้อยู่กับคนรักเป็นรักเป็นชีวิตจิตใจเลยคนคนนั้นโอ้เป็นเป็นเป็นอะไรครับเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเป็นโมเดลของเราเป็นอะไรนะอายเดล ในด้ดนเลย س ب ัลลอฮ์นะตกลงว่านี่เขายกตัวอย่างขึ้นมกกระทั่งว่าหลงนะตบารคัน ล, ละดีเนตบารั ล, ลดีกลับมาอีกครั้งหนึ่งหาจํเราะจริงบระกัตความดีอันมากมายหาที่สุดไม่ได้แด่ผู้ที่ อินชาอัลลฮฺพระองค์ประสงค์ถ้าหากพระองค์ประสงค์เรื่องมัชอาตินลาเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านนาบีมุฮัมมัดให้อย่างบีมุฮัมมัดเป็นอย่างนี้แล้วมอบวาอยูให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลฺลฺลนลฺลฺลฺลฺลเลฺลฺลฺลฺลาลฺลฺลฺลฺลฺลาลฺลฺลฺขฺงฺลฺลฺลฺลฺลาลฺลฺลฺลฺของฺนนนน illah, งองอลฺลฺออลฺลไม่มีผู้ใดคัดค้านได้ ไม่มีผูดด้ใดโต้แย้งได้ความประสงค์ของอัลลอฮฺมะฮ์ตะลาถ้าหากอัลลอฮฺมะฮ์ตะลาประสงค์ถ้าหากเราประสงค์ยะละละกะไขรอนอัลลอฮฺจะให้แก่เจ้านี่ซึ่งที่ดีกว่าที่ดีกว่าไขารอนมินซาลิกมินซาลิกดีกว่านั้นดีกว่าไหนาดีกว่าที่ข้อเสนอแนะของพวกกูเรชเนี่ยครับ เอายุนควอิไลฮิคัน uh ซุนนี่ก็ต e ้องแต่ว่าเอาลาวเอาลาวอุนซิลาอิไลฮิมาลาคุนไฟคูนมาฮูนดีราเอายุนกวาอิไลฮิคันซุนหอือจะคุณล่ะฮูจันนนตุันทุียคูลมินห์ฮะแล้วถ้าหากว่าเราประสงค์จะเราจะให้กับเจ้าเนี่ยมุฮัมมัดดีกว่านี้อะไร ยันนาไม่ใช่ยันนาอย่างเดียวพวกะเขาแค่ยันนานะให้แค่สวนนะให้แค่สวนสวนเดียวแต่ลสวาตลาจะให้สวนยันนาตินทะจรีมินตัคทิหันอันหาที่มีลําธารที่มีสายน้ําไหลยอยู่เบื้องล่างยะจันละกะกูซูรอแล้วก็จะให้ปราศาสตที่ฉูงตะางางานแก่เจ้า อา l a h ให้ได้มีในห a ดี s ระบุว่าครั้งหนึ่งในขณะที่ท่านนบี Muhammad ﷺ นั่งอยู่กับยบรินอาเลฮิสสลามนั่งอยู่ิบรินเป็นมลายกาที่นำวะอยู่มากับท่านนบีสโลโลอัลลบรินบอกกับท่านนบีสโลลอัลลว่ามีผู้มาขอพบ มีมาลายกัตมาขอพบท่านอารออส่งมาลายกัตมาขอพบนำเรื่องที่อัลลอลาสั่งมาให้มามาให้ท่านน บ, บีสุลละฮมาบอกท่านน บ, บีม AH ุฮัมมัดลละฮทำไม ย, ยิบรต้องบอกเพราะท่านน บ, บีมองไม่เห็นไม่เห็นอะไรมองไม่เห็นมาลายกัต น, น บ, บีรับทราบแล้วมาลายกัตพูดที่อัลลอฮฺสั่งมานั้นบอกว่า S Allah s ลาฝากให้ฉันนำเอากุญแจแห่งความมั่งคั่งของดุญยานี้ความร่ำรวยคลังสมบัติอะไรต่างๆมาให้กับท่านท่านจะรับไว้ไหมท่านนับีบอกว่าไง คือถ้าได้กุญแจนี้เป็นกุญแจอะไรเข า, าเรียกกุญแจสารพัดนึกได้ทุกอย่างเลยเอาลอเอามาให้ให้ไม่ไรก็นํามาให้ดบีบอกว่าท่านนํากุญแจดอกนี้กลับไปให้อลลและบอกกับพระองค์ทูลกับพระองค์ว่าสิ่งที่พระองค์จะให้ฉันในโลกนี้ที่จะให้มากับกุญแจนี้ ขอได้พระองค์ได้เก็บรักษามันไว้แล้วให้ฉันในวันอากเกโรเกิดอัลลอมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุวะลลถ้าเรารวยอะไรที่จะมากับความรวยของเราครับบางครั้ง ความมจาริสยาพอเวลาที่จะสูญหายไปเราคิดว่าถ้าเรารวยถ้าเรารวยหลายคนเนี่ยถ้าผมรวยผมจะทำโน่นทนํานี่แต่ไม่คิดว่าความนั่งรวยความบังคั่งบางครั้งมันมีพิษสง์ที่ทําให้คนเนี่ยลืมการละหมาดไม่มีเวลาที่จะนั่งอา่านอ่านอ่านไม่มีเวลาที่จะให้กับครอบครัว<ม>สุภานนท์ ล, ละเวลาที่จะให้กับตัวเองก็ยังไม่มีเลยบางครั้งความรวยนะครับบางครั้งความรวยมากกับาความ คนคิดว่าถ้าฉันรวยขอให้รวยขอให้รวยให้ดรวยคนๆนะร้านร้านนี้ขายแล้วรวยครับคนรวยคนหนึ่งที่มีทุกสิ่งทุกอย่างลูกคนหนึ่งติดยาลูกคนหนึ่งอะไรครับบ้าดาราลูกคนหนึ่งติดบอลลูกคนหนึ่งไปไหนก็ไม่รู้สบานั่นล้อ คนที่มีครอบครัวแล้วแตกแยกในครอบครัว س ุบ ا ن อัลลอฮ์นี่คือความรวยที่อาจารย์บอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้อยู่กับปัจจัยภายนอกเท่านั้นมันอยู่กับปัจจัยภายในความสุขของคนเนี่ยไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากทรัพย์สินทั้งหมดมันอยู่กับเรื่องเรื่องในจิตใจเรื่องที่มนุษย์ผูกพันกับมนุษย์ด้วยการด้วยจิตใจเช่นพ่อแม่ให้ความอบอุ่นกับลูกพ่อแม่ให้ความรักกับลูกเราให้ความรักกับเพื่อนเราได้รักรักเพื่อนไงเพื่อนรักเราเรารักเพื่อนเราให้ความรัก เขาอะมีกินมีใช้กันไหมไม่ใช่เพราะว่าเงินที่เขาเลี้ยงเราที่เขาถึงได้รักเราแต่เราเห็นถึงความจริงใจของเขาความจริงใจวัดได้ตรงไหนวัดได้ในการอยู่ร่วมกันอันนี้มันความสุขไงความสุขความสุขไม่ได้มาจากจากวัตถุทั้งทั้งหมดเลยความสุขที่เราจะได้รับนี่มาจากอัลลอฮฺสุวาห์ตะลาด้วยมาจากความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุวาห์ตะลาและเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเลยความสุขในอิสลามมีคําเรียกว่าอัศกีนะสักีนะ สักีนะัความสงบทางั้นจิตใจที่อัลลอฮฺสุฮตาลาบอกว่าสิ่งนี้มาจากอัลลอัตอมานี่นะความนิ่งความสงบเหมือนกันความนิ่งเหมือนกันนะครับความอิม่มเอิบความสุขที่อัลลอฮฺสุฮตาลาจะให้นะครับร่ำมากที่อัลลอฮฺสุฮตาลาจะให้อันนี้คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจท่านอับดุลเบียสัลลฺละฮฺะลัยซัมนะครับ เ, เลือกที่จะใช้ชีวิต ยังมนุษย์ธรรมดาสามัญแล้วก็บ่อยครั้งที่ท่านอับดุลลาห์อะลัยสลามพบกับความลำบากยากลําบากแต่เพื่อที่จะสอนในเมื่อถึงที่สุดแล้วแบบอย่างที่ถึงที่สุดแล้วจะเป็นข้ออ้างอะไรกับเราเราจะอ้างว่าเราลําบากกว่านบีอ้างได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยคือจุดสุดจุดแล้วอ่ะอืมันได้ละมันได้ภาษาบ้านเรามึงได้ละ มึงย่างได้กินอยู่เลยปูมไม่ได้กินถ้าจะพูดกับนบีพูดเกิงนบีได้ไหมพูดไม่ได้เลยครับนบีที่สุดของที่สุดนบีสลโลลเลสลัมเป็นมาแล้วเจอมาแล้วความสูญเสียความเป็นเด็กกาพรา้าเสียผู้ที่อุปการะภรรยาเสียชีวิตลุงเสียชีวิตตอนหน้านั้นปู่เสียชีวิตนะครับท่านนบีสลโลโลวาเลสลมัมเจอบททดสอบนะครับภรรยาบอกว่า เดือนหิรานขึ้นแล้วเห็นเดือดเดือ น, อนลูกเดือนขึ้นมาแล้วฮิรานที่สองหิรานที่สามแต่ที่ไม่มีขึ้นคือควันไฟอุดย่างแล้วควันไฟควันควันไฟ <c oughs> ที่ไม่มีขึ้นควันไฟจากไหนครับจากครัวของมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิสซา ใช้แก๊สเถะไม่มีควันแต่ก่อนใช้ไม่ปืนไม่มีควันหมายถึงว่าไม่ได้ปรุงอาหารสามเดือนทําไมอาหารไม่ใช่เพราะยุง่งไม่มีอะไรจะปรุงไม่มีอะไรจะปรุงอาหารที่มุฮัมมัดสุลตลล่ามประทังชีวิตก็คืออัสวัดานอัสวัดานสองดำดำสองอย่าง นำสองอย่างแปลว่าอะไรน้ำสองอย่างอินดทาลัมกับน้ําเปล่าไม่ใช่รายการของไว้ชื่อรายการของไว้อินทาลัมกับน้ําเปล่าบางครั้งอัล z z z! Z คุบสวัดเซ็ดคุบส์เซเราไม่เคยกินคุบกับเซ็ดคนอบเขากินขนมปังหรือโรตีกับน้ํามันเซ็ดอะไรเซ็ดตูน น้ำมันใชตูนกินกันน้ำมันไมะฮามัสโลโลวะเพื่อนอย่ามาอย่ามายุ่งผมยุ่งไม่ได้เอติกรบไม่มีเวลาไม่มันมันยุ่งเหลือเกินอาจารย์ยุ่งเหลือเกินไม่ต้องบอกครับไม่ต้องบอก <c oughs> ไม่ต้องบอกทำไมไม่ต้องบอกมะฮามัสลลวะลลัถ้าจะบอก่ามันก็เจ็บถ้าจะโต้กลับแล้วก็เจ็บจมันนบียุ่งวันนี้นหะครับ ใครนึกภาพบอามัมมัดวันวไม่ได้ทําอะไรเดินไปสูเราหนมีได้หลือมาว่ต้องวันวันไม่ได้ทําอะไรอย่านึกอย่างนี้เด็ดขาดถึงขั้นตกมุดตัดก็ได้ไม่มีมนุษย์คนไหนที่ยุ่งที่สุดยุ่งมากกว่ามุฮัมมัดสุลต์ละวะลีซัมทุกเรื่องสอนคนตัดสินคดีความปกครองบ้านปกครองเมืองคนน้นถามก็ตอบคนนี้ก็อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมุฮัมมัดสุลต์ละวะลีซัมทั้งโลกทั้งเรื่องโลกและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ศาสนาของอัลลอฮฺสวาฮ์ตละเอออัลลอฮฺสวาฮฺตละให้เกียรเปลำมอคฮัดนอนนะอย่าไปเรียกอย่าไปตะโกนนะอินละล๊ะดีนัยยดาดูนักมีวอารายลฮูจุรอติ أكسرهملاياقي ลูนอัลลอฮฺว่าตําหนิคนที่ไปเรียกตะโกนมอฮัดไมเรียกนบีนบีอยู่ไปเรียกท่านนบีรอสุลลไปเรียกรอสุลมิวอารายลฮูจุรอตไปเรียกอยู่ข้างห้อง ครับครอบครัวหลายๆลูกนี้ส่วนใหญ่ไม่ไม่ใช่ปัญญาทํา ไ, ไม่ใช่ปัญญาไม่รู้รู้ว่าเวลามูฮัมหมัดพักผ่อนเวลาอื่นมีมูฮัมหมัดไม่เคยเก็บตัวไม่เคยหนีสังคมแต่เวลาที่เขาจะพักผ่อนอย่าไปเรียกอย่าไปรบกวนเขาเวลาครูต่วุฒิจะพักผ่อนอย่าไปรบกวนได้เวลาครูมาสอนได้เวลาครูมันมาควบคุมอะลอกพอเวลาเขาพักผ่อนอย่าไปยุ่ง คนเน่นก็เหมือนกันตราทะเลาะใครกับใครเวลาเห็นเขนอนอกว่าจะนอนคนบางคนกวจะหลับไม่หลับพอเขาหลับไปเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ยาไปเรียกทะเลาะวักบัต น, น่าสงสารมากน้าพ่อแม่ของเราเนี้น่าสงสารบางทีนะครับตะกอนไอ้ยกนะพระของอาจารย์แกนอนหลับยากเวลาที่แกจะหลับคือประมาณสองหลังจากละมานิชาไปถึงประมาณตีหนึ่งตีหนึ่ง บางทีก็เที่ยงคืนเวลานั้นนะครับนั่าดับไฟก็ดับไฟอย่าไปส่งเราไปพูดอะไรเรายังไม่หลับก็ไปไปไปหาที่อื่นอย่าไปรบกวนแกให้แกหลับแล้วหลังจากตีหนึ่งตีสองแกก็ลุกขึ้นมาละมานมาอ่านกราบอะไรของแกทําั้งนั้นทุกคืนเป็นสิบสิบปีทั้งนั้นเลยนะอันนี้นครับเวลาของพ่อแม่เวลาไปพ่อแม่พักผ่อนนะครับที่ปรากฏในฮันดิสนะครับ น่นบอกไหพูดแล้วก็ไปเยอะแยะมากมายครับจบด้วยฮะดิ้กันแล้วกันเพราะมาถึงเรื่องพ่อแม่พ่อแม่สาคัญนะ <c oughs> มีชายสามคนที่ไปติดอยู่ในถ้ำฮะดิสที่มีชายสามคนไปติดอยู่ในถม้มไปอยู่ในถ้ำไปทําทุราในถ้นะครับแล้วบัเงเอิญว่า ก้อนหินเนี่ยมันถล่มลงมาปิดปากถ้ำออกไม่ได้ทําไงหมดปัญญาหมดปัญญาหมดปัญญาพอมนุษย์หมดปัญญาเนี่ยสิ่งที่มันุจะถึงก็คือสิ่งที่มีอํานาจมีอานาจสูงสุดคือนึกถึงอรรถสวาหัตละนี่คือที่ที่สุดครับปกติถ้าเครื่องบินจะตกมนุษย์ก็ต้องนึกถึงพระเจ้าคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็ลูกจะอะไรนะ เจ้าฟ้าเจ้าดินช่วยลูกด้วยด้วยลูกช้างด้วยด้วยช่วยลูกช้างด้วยนั่นแหละอาจารย์เคยนะครับเคยเฝ้าลูกชายนะครับไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วมีคนคนหนึ่งที่เป็นคนต่างาศาสนาเจ็บมากครับเขาเจ็บมากเจ็บมากเราก็นั่งฟังว่าเขาจะจะจ ะ, จะอุทานเสียงไงรู้ไหมครับเขาไหวไหแม่เออแม่เออแม่เออ แม่อืออัลละห์อัลละห์ภาษานี้อัลลมห์อัลละห์ของของของเนี่ยภาคใต้เนี่ยอัลละห์อัลละห์มาเอือมาเอือได้แค่นั้นนะน้าสงสารนะเขาไม่รู้จักอรรถสมาธิเราแต่คือที่สุดที่สุดคิดว่าพ่อแม่จะมีพลังไม่มีพลังเป็นมนุษย์เหมือนลาดามสามัญเหมือนกับเราแต่ขออำนาจ ขออำนาจขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขออำนาจสิ่งนั้นสิ่งนี่ขอขอหมดเลยรวบหมดเลยขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองลูกช้างด้วยเถิดเนี่ยครับที่สุดที่สุดคำ น, นันชายคนนี้นึกถึงอัลลอฮ์จะขอจากอัลลอฮ์สุบฮานตะลาเนี่ยเอาอะไรไปอ้างจะขอจากอัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์รับเนี่ยเราอะไรไปอ้างอัลลอฮ์สุบฮานตะลา คนต่างศาสนิกใช่ไหมหัวหมู <laughs> เอาหัวหมูไปหัวหมูหัวหของเส้นไหว้นึ่คนของเส้นไหว้จะไปขอแล้วจะไปขอไปไว้ที่สารประภูมิพระพระพระปัญญาณอันทะพิคุพูดถึงสารประภูมิบอกว่ามันจะช่วยได้ยังไงมันจะ อเจ้ามันจะขึ้นไปทางไหนบันไดก็ไม่มีสารพระพูมีบันไดไหมไม่มีเจ้าของเขาเจ้าที่มันจะขึ้นไปทางไหนอ่ามันคงนั่งด่าอยู่ว่ามันเอากูขึ้นมาไว้้ไวแล้วกูจะลงทางไหนวะเนี่ยฮะกูจะลงทางไหนบันไดก็ไม่มีอือ่าตกลงว่าหลวงปอคูเขาบอกว่าแค่เหยียบร้อยที่เสร็จยี่สิบหนึ่งมายากขอช่วยกูเลย กูกูเห็นตั้งนานแล้วร้อยยี่สิบเสีย ب, ยี่สิบหลวงพ่อคุณที่มึงเสียไปอะนะว่าขอขอให้หลวงพ่อกุหลวงพอ่พอคุณช่วยพวกหลวงพ่อคุณก็ช่วยไม่ได้แกบอกหลวงพ่อคุณก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าถ้ามึงเหยียบเกินร้อยี่สิบนี่ยกูโดนลงตั้งนานแล้วอืมรถเร็วขับรถเร็วต้องบอกว่าสามคนนี้เขาเวลาจะขอจากอาเลาะเอ า, าอะไรไปอ้างกับพระองค์เรานี่อ้างนะครับวาซีล่ะ ว่าสิละอย่าอโลฉันเดือนนี้ฉันลฉันถือสิ่โหนดครบอยากเราไม่ต้องไปบอกไปบอกชาวบ้านนะบอกอโลท่านชือสิ่นดครบแล้วก็ฉันก็พยายามอ่านอันกราอยาลเราฉันทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆอยากเลาขอพระองค์ทรงตอบรับให้ฉันได้เรียนหนังสือ อได้ฉันนเรียนหนังสือประสบความสําเร็จได้ให้เข้าใจเ อ, อะไรครับได้เรียนเข้าใจได้เลยหรือจะขอดวอะไรเอาสิ่งเหล่านี้เอาความดีของเราเนี่ยมาเป็นวาซาอินมาเป็นอะไรครับมาเป็นวาซีล่ะมาเป็นสื่อสามคนนี้ใช้สื่อคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งบอกว่าฉันมีลูกพี่ลูกน้องที่เป็นสาวนี่วัยรุ่นฟังไว ก็เล่นกันนะนะครับพอเป็นวัยรุ่นแล้วมันนีเรื่องของความรู้สึกทางเพศใช่ไหมระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายวันหนึ่งฉันมีโอกาสฉันมีโอกาสโอกาสอะไรโอกาสเรื่องผู้หญิงผู้ชายขนาดว่าในฮันดิสบอกว่านั่งอยู่ระหว่างสองขาของ ของเธอของนั้นคือโอเคแล้วแหละก็คงสนิทกันแล้วใจนก็โอเคยินยอมนะเอามีโอกาสไม่ใช่โอเคนะครับมีโอกาสเพราะว่านะครับเพราะว่าผู้หญิงก็บอกว่าอิสตักุลลอผู้หญิงก็บอกว่าอิสตัฟุลลอจงกลัว Allah พอได้ยินคานั้นฉันก็หยุดการกระทํานั้นด้วยกลัวในพระองค์อย่เอาล้อถ้าหากว่าฉันทําสิ่งนั้นด้วยกลัวในพระองค์ขอให้ก้อนหินเนี่ยขอพระองค์ให้ก้อนหินเนี่ยขยับออกจากปากถ้ำไดเถอดปรากฏว่าขยับจริงแต่ไม่พอที่จะโลอดออกมาได้แค่คนเดียวเหลืออีกสองคน คนที่สองคนที่สองเป็นเท่าแก่ใหญ่อย่ากลอกฉันเคยมีฉันคเคยเลี้ยงสัตว์ว่านนะังเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะครับสัตว์เลี้ยงกระสุดสัตว์ <c oughs> แล้วชันมีลูกจ้าง <c oughs> มีลูกจ้างอีคนที่คอยเลี้ยงดู เขามารับใช้ฉันเขาไม่เคยเอาค่าจ้างเลยไม่เอาเคยเอาค่าจ้างวันหนึ่งเนี่ยแต่ฉันก็คิดค่าจ้างให้เขาตลอดวันหนึ่งก็หายไปดือด้อๆหายไปดื้อๆค่าจ้างก็ไม่เอาสักบาททำงานกับฉันมาตลอดแต่ไม่เคยเอาค่าจ้าง หายไปลืดๆฉันทำยังไงค่าจ้างของเขายังอยู่เป็นสาตว์เป็นแพะเป็นแกะเป็นเงินเป็นทองฉันก็เอาไปลงทุนนลยนะแพะแกะเนี่ยจากตัวหนึ่งก็เป็นสองตัวสามตัวสี่ตัวขยายไปเยอะแยะหลายปีเขาไม่มาเขามาอีกครั้งหนึ่งอ่ชาลาวันเอก นะอันนี้ไม่มีในในี่ดิสอาจา ร, รย์ใส่เข้าไปนะศาลาอะลีกุ้มพมาเจอกันก็ต้องให้สาลาเนใช่มอจารามาเมลกุมก็บอกเรื่องราวผมไปอยู่ที่นั่นที่นี่วันนี้พอาจริงผมก็ไม่อยากจะเอาแล้วแหละค่าจ้างเนี่ยแต่ว่าท่านครับมันจำเป็นจริงๆค่าจ้างผมยังอยู่ไหม ทำใจยากนะทำใจยากเพราะแพะจากสีห้าตัวนี่มันกลายเป็นร้อยรอยตัวเลยค่าจากงขอกเขาเนี่ยมันเป็นฝูงใหญ่นะ <c oughs> เราหันไปเห็นฝูงแกะฝูงใหญ่เป็นร้อยรอยตัวนนค่าจ้าขงของท่านอยู่นนท <c oughs> ์ตอนไปเลย ใจคนนั้นไม่พูดเรื่องทเพลงเลยสาระในกลุมไปก่อนครับต้อไปก่อนครับนึกออทะเลนึกภาพทะเลทรายนะเขต้อนไปแค่ต้อนไปนขณะไปต้อนไปก็ไปไปไปเลี้ยงไปเียที่อื่นเขาไปร่อนเร่อะรทะเลทรายที่แเบอินคือร่อนเร่ร่อนเร่เขาเลี้ยงตรงนี้เอาญาหมดตรงนี้ก็เลี้ยงไปขยับไปตรงอื่นอีก ครับเป็นแคมป์เป็นแคมก็ต้องไปอยลารอถ้าหากว่าฉันทําสิ่งนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นสิ่งที่ถูกต้องทําด้วยความบริสุทธิ์ใจขอพระองค์ให้ขยับก้อนหินนี้ขยับหน่ขยับอีกห้ามดูเลยนะยังออกไม่ได้เหลือคนที่สามคนที่สามคนที่สามอย่ารอฉันเนี่ยเคยมีพ่อแม่ ที่อายุมากแล้วที่แก่ชราแล้วแล้วก็มีลูกฉันไปทํางานแล้วก็กลับมาก็นะบางวันก็กลับนะกลับค่ํากลับดึกกลับดึกกลับดึกกลับมากันสิ่งแรกที่ฉันจะทําก็คือว่าดูแลพ่อแม่ระหว่างลูกกับพ่อแม่ในฮะดิษนี้ชัดเจนว่าพ่อแม่สําคัญกว่านะ พ่อแม่สำคัญกว่าลูกของเรากับพ่อแม่วันเวลาที่เรามีลูกอย่าให้ความสำคัญกับลูกจะลืมพ่อแม่ซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วศพลัวเดียวแล้วคุเพะฉันกลับมาฉันก็จะดูดูแลพ่อแม่อาหารการกินให้พ่อแม่ได้กินก่อนวันนั้นที่ฉันวันนั้นฉันกลับมาพ่อแม่ของฉันเนี่ยนอนหลับ ฉันน่เอานมกลับมาด้วยนมใส่แก้วใส่ภาชนะเรียบร้อยแล้วเอานมกลับมาด้วยพ่อแม่นอนหลับฉันไม่ปลุกฉันไม่ปลุกแต่ว่าฉันยืนคอยข้างเตียงข้างที่นอนของพ่อแม่ของฉันยืนคอยถือภาชนะที่ใส่นม ในขณะที่ฉันยืนคอยลูกของฉันก็ร้องมาจับขาด้วยความด้วยความหิวอะครับเด็กต้องการต้องการจะกินฉันไม่ให้ไม่ให้ลูกร้องร้องตึองดูครับผู้หัวใจเราคิดว่าโอ้มาเนี่ยในหัวใจหินจริงๆเลยเด็กเด็กตัเล็กน่าจะให้ให้เด็กๆก่อนแต่พ่อแม่จนพ่อแม่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ฉัน ให้พ่อแม่ดื่นและหลังจากนั้นก็ก็เป็นเรื่องที่จะดูแลลูกยาลอตาหาวฉันทำในสิ่งที่ถูกต้องลีวะจิกด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ใจเพื่อเพื่อพระองค์ขอพระองค์ทรงเปิดด้วยเถอะแล้วก้อนหินก็ขยับออกทั้งสามคนทีนี้สามคนก็สา ม, มารถที่จะออกทำได้พ้นจากวิกฤตตรงนั้นมาด้วยอามัลซอเน คำถามวันนี้เวลาเราจะขอกับอัลลอฮฺวาฮาตัลลาพอไหมที่เราจะเอาอ้างความดีของเราเนี่ยขอจอากอัลลอฮฺวาฮาตัลลาอ้างความดีของเราขอจอากอัลลอฮฺวาฮาตัลลาคนที่ไม่มีความดีเลยใช้วิธีที่ผิดวาสีลากับคนตายบ้างวาสีลากับเชกนั้นเชกนี้บ้างอันนี้ไม่ได้ชีริกจะให้นบีเป็นสือ่อเอคนบ้านเรานะครับทําบุญขอดอวยผมบ้างขออวยคนอื่นได้นะ แต่ว่าด้วยความที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมันเต็มไปด้วยความส ก, กบปกที่จริงดูอา่านที่ที่ดูอ่านเนี่ยโอเดอเนียสจิบละกมนะครับอานะครับอ่านมิซาซาลกาไอบาดิอันนีฟาอินนาฟาอินนีกอรีมฮะมันบอกด้วยเวลาที่เวลาบวาวบาของฉันเนี่ยถามเจ้าเกี่ยวกับฉันบอกว่าฉันอยู่ไกล ดูอาที่ใกล้ที่สุดคือดูอาที่เราดูอาองแต่เราดูอาเ อ, เองเนี่ยนึกดูสิว่าเราเนี่ยมีอะไรที่จะไปอ้างกับอัลลอฮฺสุลฮะตะลาพอเป็นกอบเป็นกรรมเป็นชิ้นเป็นอันได้ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะขอจากอัลลอฮฺสุลฮะตะลาได้บาง น, นี่สาคัญยิ่งมากเท่าไหร่อัลลอฮฺก็จะยิ่งเราจะขอดูอาด้วยความเชื่อมัน่นอัลลอฮฺละเพราะฉะนั้นตามความดีนะครับทําความดีกับพ่อแม่เรื่องระว่ังเพศก็สําคัญเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เรื่องความซื่อสัตย์ นะเรื่องความซื่อสัตย์เรื่องความดีกับพ่อแม่เรื่องอะไรเรื่องอัลไอฟเรื่องการสำรวมตนนะครับเรื่องพรหมจรรย์เรื่องพรหมจรรย์นะรักษานะครับอะไรครับที่ในสุรอัลมุมินุพูดเรื่องสาเรื่องเรื่องเรื่องรักษาอวัยวะเพศ เว้นแต่สิ่งที่ฮลาลเท่านั้นมัตระวังในยโอยเฉพาะอย่างยิ่งยุคนี้ก็ขอเราสานตลาดุ้คลอง พ, พวกเราทุกคนจากสิ่งนี้ด้วยรับก็วันนี้ก็ใช้เวลานะครับเยอะสุดวรก็อินบิลละก็คงไม่เป็นไรนะครับก็เราคอยวต่อนี้อินชาอัลลอฮฺ سبحان อัลลอฮมัลฮัมิดะอินราอลลฮอลัลลอฮักุรุกวะตุีว